ข้อหกตัยาวิพัฒน์ในอัตวิเศษนะวิเศษนะนี้หมายถึงวิเศษนะของกิริยาคล้ายๆกับทุติยาวิพัฒน์ที่เป็นกิริยาวิเศษนะอันนี้เป็นกิริยาวิเศษนะเหมือนกันแต่เมื่อเป็นตัิยาท่านจะไม่เรียกว่ากิริยาวิเศษนะจะเรียกว่าวิเศษนะเฉยๆในตัทยาวิพัฒน์ใช้ในอัตวิเศษนะนี้ให้แปลว่าโดยแปลว่าตามแปลว่าข้าง ดยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งไม่เห็นมีข้างเลยใช่ไหมที่เราว่ามาอันนี้มีข้างมีข้างและด้านด้วยอย่างเช่นในทิศเหนือเนี่ยแค่ที่เราจะแปลว่าในทิศเหนือเราแปลว่าด้านทิศเหนืออย่างนี้ก็ได้ดูตัวอย่างข้อ1โคเตนะโคตโมนาโถโคเตนะแปลว่าโดยโคตโคตโมก็แปลว่าโคตมะนาโถ เป็นชื่อพระพุทธเจ้านาโถเนี่ยเป็นเป็นชื่อหนึ่งของพระพุทธเจ้านาโถพระพุทธเจ้าโคตโมพะนามว่าโคตมะหรือเป็นโคตมะโคเตนะโดยโคตราชาศัพท์ก็ใส่พระลงไปเลยเป็นโดยพระโคตพระพุทธเจ้าพะนามว่าโคดมโดยพระโคตถ้าเรียกตามโคตก็จะเรียกว่าโคตมะ เรียกตามตระกูลก็จะเป็นศักยะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมโดยพระโคดข้อ2สิปเปนะนะัละกางโรโสสิปเปนะแปลว่าโดยศิลป ะ, โ ด, ลปะโดยสิปะโดยศิลปะนะัละกางโร กโรแปลว่าช่างนายช่างช่างทํานู่นทานี้เป็นนะนาะตัวนี้แปลว่าไม้ไผ่นร ะ, ะกาโรไม่ได้แปลว่าช่างไม้ไผ่แต่แปลว่าช่างจักสารทําฝีมือช่างที่มีวัตถุ ด, ดิบเป็นไม้ไผ่นั่นเลยเราไม่ได้แปลว่าผู้ทําซึ่งไม้ไผ่เราแปลว่าผู้ช่างจักสารโสเขาหรือว่าบุรุษนั้นบุคคลนั้นก็ได้ เขาเป็นช่างจักสารโดยศิลปะอย่างมีศิลปะนั่นเองคนจักสารเป็นก็ม er um ีเยอะแยะไปแต่คนนี BLANK, ้มีฝีมือสุดยอดเพราะว่าจักแล้วสารไปแล้วเนี่ยมีลวดลายบ่งบอกถึงเป็นผู้มีศิลปะใครสารอะไรเป็นบ้างเคยไหมเคยสารไม้ไผ่เป็นไหมสารพัดเป็นไหมเนี่ยพัดอย่างนี้เนี่ยเนี่ยพัดอย่างนี้ ปาทพียนไม่ไผ่หรอใบลานบนะ้างปาทพีนฮะใบมะพร้าวใบมะพร้าวใบลานเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่ามีฝีมือเหมือนกันนะเนี่ยจะให้เป็นดอกได้เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าลายดอกจอกลาย ง, ง่ายๆธรรมดาเรียกว่าลายดอกจอก <st> <c oughs> ลายความลายหงาย ใครอยากสารเป็นก็มาเรียนนะจะสอนให้ไม่มีไม้ไผ่ทุกวันนี้เป็นพลาสติกพลาสติกมาสารได้สารเป็นทุกอย่างอะ่านมาสารเปลสารสวิงแหรอบกระติบข้าวเหนียวหวดนึงข้าว นะสารเป็นหมดสมัยเป็นคาราวาสสารอระติบข้าวนี่ตามใส่ชื่อตามผู้สั่งเลยสารให้เป็นชื่อเหมือนผู้สั่งผู้สั่งชื่ออะไรก็ถักเป็นชื่อเข้าไปเลย <c oughs> ทุกวันนี้มันจากตอกเป็นไว้ได้จากตอกเป็นมันก็มันก็ตอกจะดีกว่า พลาสติกไม่ต้องย้อมถ้าไม่ตอกต้องย้อมด้วยอ่าดูต่อไปข้อสามเอกูณติงโศเอกูณหย่อนหนึ่งติงโศแปลว่าผู้มีสามสิบผู้มีสามสิบหย่อนหนึ่งเอกูณติงโศเนี่ยก็คือยี่สิบเก้าในนี้ถ้าท่านใช้คาว่าวายาศานี่แปลว่านับปีไม่ได้นับวันนับเดือนโดยวัยถ้านับว่าวัย อ, อายุเท่าไหร่นะเขาคือถามปีใช่ไหม ไม่ได้ถามเดือนไม่ได้ถามวันอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นเอกรุณาติงโศแม้จะไม่มีคําว่าปีอยู่ด้วยก็ให้แปลว่ายี่สิบเก้าปีได้เลยเอกรุณาติงโศยี่สิบเก้าปีวยะสาโดยไ ว, วยะยะสาสาตัวนี้เป็นนาวิพัฒน์เป็นมโนคณะวะยะสาเป็นมโนคณะนาเป็นอาแล้วก็ลงสาอาคมเหมือนกับมณสาเหมือนกันข้อสี่ ตาภาษาอุตมโม อ, อุตมโมเป็นผู้ประเสริฐถ้าทับเสาวะเป็นผู้อุดมหมายถึงผู้ประเสริฐสุดตาภาษาโดยตบะโดยความเพียรเป็นผู้ประเสริฐสุดโดยความภาคเพียรเพียรเพื่อจะละกิเลส น, นะถ้าเพียรเพื่อจะหลับจะนอนจะพูดจะจานี่ไม่ใช่เพียร น, นะ เป็นผู้ประเสริฐสุดโดยความเพียรข้อห้าสุวรรณเนนะอภิกรูปโปกรูปโปแปลว่าผู้มีรูปอภิแปลว่ายิ่งดานั้นอภิงรูปโปจึงแปลว่าผู้มีรูปงามถ้าผู้ชายก็รูปงามนามเพราะอะไรอย่างเนี้ยถุกวันนี้เขาเรียกแต่รูปหลอไม่เรียกว่ารูปงามคนโบราณจะเรียกว่ารูปงามงามนะไม่ใช่หลอนะ งามน่นคือดูดีบางคนไม่่ค่หล่อเท่าไรหรอกแต่ว่าแต่งเนื้อแต่งตัวผิวพรรณดูดีสะอาดสะอ้านแล้วก็เรียกว่ารูปงามทุกวันนี้หาคนรูปหลอ่อรูปงามยากผู้ชายก็ไม่นี่ผมเผายุ่งเยิงหลากหลายสีเหลือเกินหัวเดียวนะี่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะมองตรงไหนว่างาม <c oughs> หาคนรูปงามยาก สุวรรเนนะโดยผิวพันธงามดุจทองสุวรรณะเนี่ยแปลว่าผู้มีผิวดุจทองคําว่าผิวดุจทองก็คือผิวทองเปล่งปังสะอาดสะอา้านเจิดจ้าผิวผู้นี้ก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นคนผิวสะอาดสะอา้านเจิดจ้ารูปงามโดยที่มีผิวพันธ์งามดุจทองนะ โดยผิวพันธุ์ดุจทองข้อ 6. มะเคนะคัตชติคัตชติย่อมไปมัเคนะตามทางไปตามทางไปตามทางไปโดยทางข้อ 7. อิจฉายะทนานังคันหาตุคันหาตุจงถือเอา จงถือเอาตุเป็นปัญจมีต้องแปลว่าจงขอจงโปรดหรือเราใช้ยังไงก็ได้ปัญจมีโปรดถือเอาจงถือเอาช่วยถือเอาทนานังซึ่งทรัพ์อิจฉายะตามปรารถนาอิจฉายะตามปรารถนาปรารถนาหนึ่งบาทก็ถือเอาหนึ่งบาททำกันมากองกองไว้บอกว่าอย่างนี้อิจฉายะทานังคันหาตุคิดว่าหมดตั้งแต่คนแรก เรนะาเรียงแถวมันไม่เอาเนะี่ยคงจะหมดทั้งกองแนละ้วแต่คนก็แล่นเอาตามปรารถนาเนะี่อยอิจฉ า, นะ า, า, าภาษาบาลีเป็นอิจส า, าไม่ใช่อิจฉาถ้าอิจฉาปรารถนาถ้าอิจสาแปลว่าบาลีสยารแต่บาลีเขียนว่าอิจสาสอเสือสองตัว อิศาแปลว่า <ENNIS> อิจฉากรืิศยาส่วนอิจฉาภาษาบาลีแปลว่าความปรารถนาความอยากความต้องการลวยอะไรเนี่ยนเป็นอิจฉาไมวะแ่ยแ่วยหน้าให้อิจฉาก็นาปรารถนาเจตนาคนที่พูดนั่นจะมุ่งแก็นาพผิดมั้งพูดผิดภาษาซะมากกว่าอิจฉาทาร้อนอะไรอย่างเนี้ย ทำไมไมันต้องตาร้อนโดยเวลาอิจฉาเนะี่ยตาแดงกล่ำนะขนาดนนะ่ะอิจฉาถ้าเราทนนอนไม่หลับ <c oughs> ถ้าบาลีอิจฉาก็คือปรารถนาต้องการส่นอิจฉาเนะี่ยแปลว่าริษ ย, ยา อ๋อวัสุทัดเป็นทางออกของประตูผีกี่แรงวัสดเกตเปรตวัสดุทั์ทุกวันนี้เขาไม่พูดแล้วทุกวันนี้เขาว่าวัดอะไรนะวัดบวรขายชาติวัดมหาธาตุขายศาสนาใช่ไหมทุกวันก็พูดอย่างนั้นทางวัดบวรมีได้ร้านขายธงชาติแรอบรอบวัดมหาธาตุมีได้ขายพระเครื่อง ก si ็เลยบอกวัดบวรขายชาติวัดมหาธาตุขายศาสนานั่นก็ได้ยินแต่ก็พูดอย่างนี้เลมดูต่อไปข้อแปดสังคิปุโตตินาเมนะวิสุโตปัญญวาจาโสโสภิกุรูปนั้น ปัญญวาผู้มีปัญญาภิกษุกรูปนั้นเป็นผู้มีปัญญาวิสุโตปรากฏแล้วนาเมเณนะโดยนามสางริปุตโตอิติว่าสางริบุตภิกษุผู้มีปัญญานั้นปรากฏโดยนามว่าสางริบุตรจาะมันนี่เป็นคาถามคาถามมันยาวคาถามมันยาวนี่ตัดมาเฉพาะตรงนี้ เป็นผู้ักกดด้วยูและผู้มีปัญญาด้วยขึ้นมาไม่ได้กาะขึ้มาได้กเบางคำกดให้เต็มเลยนะพิษุโสพิษุรูปนั้นปัญญวาเป็นผู้มีปัญญาพิษุโตปรากฏแล้ว วิสุตโตปรากฏแล้วนาเมนะโดยชื่อโดยนามสังรีปุตโตอิติว่าสาังรีบุตรภิกษุรูปนั้นเป็นผู้มีปัญญาปรากฏแล้วโดยนามว่าสาังรีบุตรข้อเก้าอังคุริมาโล เพราะว่าโตปิติโตอนุเวติไม่ใช่อนเวติอะนุเวติอะนุเวติอะอนุเอนุเอน่ากับว่าออกเอเดียวอะนุเอไม่ใช่อนนาเวอนนเเวอ่านไม่ได้ โนเวไม่ใช่นอเวยอุเวติมาจากอนุอุปสรรคแล้วก็อีธาต น, นะของเดิมนะอีธาตติวัตมนารมาพพลดพลดมานนมาแทรกไม่ได้แทรกไม่ได้ เวลาเขียนภาษาไทยสระเอสระโอไปอยู่ข้างหน้ามันก็เลยต้องไปอยู่ข้างหน้าอย่าไปกั้นสังโยกสังโยกมันสระลงกลางไม่ได้แต่มันก็มีบ้างมีบ้างเวลาเขียนท่านแยกกันเพียงแต่ว่าถ้าสังโยกนั้นเป็นพยัญชนะวักเดียวกันตามหลักสังโยกว่า1ซ้อน1ซ้อน2 3ซ้อนสซ้อนหซ้อนอย่างเนี้ยถือว่าสระอยู่ตรงกลางได้ แต่ถ้าพยัญชนะวะกับอาวะซ้อนเป็นสังโยกกันไม่นิยมสระอยู่ตรงกลางเพราะมันเป็นเสียงกล้ำ ม, มันเป็นเสียงกล้ำไม่ใช่เสียงสะกดด <c oughs> ัง น, นั้นเวลาอาเทศอุที่นุเป็นวะ <c oughs> ก็ยังอ่านว่าอะนวะ <c oughs> เปลี่ยนจากอะนุเป็นอะนวะ พลบอ ธ, ธิว ะ, ะเข า, า้องเลยไปเข้าสระเอถึงอ่านว่าอะนเุเมอะนุเมทีนี้มันไม่มีคําไหนจะอ่านว่าอันได้อะอ่านไม่ได้อ่านว่าอันเวไม่ได้อ่านว่าอันนะเวก็ไม่ได้ต้องอ่านว่าอะนเุเมติอะนเุเมติแปลว่าย่อมตามไปย่อมติดตามไปย่อมตามไป อังคุลิมาโลดูนะอังคุลิมาโลองคุริมานตอนนี้ยังไม่ได้บวชนะตอนนี้ยังไม่ได้บวชยังไม่เป็นอังคุริมาลเทโรถ้าบวชแล้วจะมีคําว่าเทโรตามหลังอังคุริมาโลอังคุริมานองคุลิมานอะนุเอติอะนเุเอติย่อมติดตามไปปิดทีโตข้างหลัง โตตัวนี้ลงในอัตติยาบีพัตติธิแปลว่าหลังโตแปลว่าข้างด้านปิธิโตข้างหลังพระขวัโตของพระผู้มีพระภาคองคคุยมานวิ่งตามหลังพระพุทธเจ้าแล้วก็ตะโกนว่ายังไงนะพระหยุดก่อนพระยุดพระหยุด มันเป็นปิธิครับก็เป็นปิธินาได้แล้วแต่อันไหนมันสละ ส, ส, สวยกว่าเพราะกว่าก็เอาตามนะลงนาก็ได้ลงโตก็ได้ต่อไปข้อสิบอาจักริโยธรรมเนะสิทธสังโอวัฒติ อาจารย์ริโยอาจารย์โอวัฒติย่อมโอวาฒสิธิ์สังซึ่งสิธิ์ทมเมนะโ ด, โดยธรรมอาจารย์โอวาฒสิธิ์โดยธรรมก็คือโอวาฒโดยธรรมก็คือเวลาสิธิ์ควรให้โอวาฒก็ให้โอวาฒคำที่ให้โอวาฒก็ล้วนแต่เป็นสังระเป็นอัฏฐะเป็นธรรมะ ไม่ใช่เอาความพอใจนะเช่นเน้นทมชามแตกใบหนึ่งก็แทนที่ใช้อวาตสามเณรอย่างนี้แหละธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วย่อมแตกดับไปเป็นธรรมดานี้เรียกว่าอวาตโดยธรรมถ้าอวาตไม่ทรทมอย่างนี้ได้ยังไงหือ <c oughs> ของมันมีราคา <c oughs> นี่อวาตไม่เป็นธรรมก็อวาตเหมือนกัน หมดแล้วอ่ะทีนี้แปรโคเตมณโคตมโตมนาโถพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมโดยพระโคตสิเปนณนละกางโรโสเขาเป็นช่างจักสารเอคูณติงโสวยสา อายุยี่สิบเก้าปีโดยวัยตปภาษาอุตโมเป็นผู้ประเสริฐสุดโดยความเพียรสุวรเนนาะอภาิรูปโปรูปงามโดยผิวพรรณดุจทอง ไม่ได้เลยอะนุเอติเนี่ยยังคนอ่านเออะเนวะติอยู่อะนุเอติหนว่าออกเอเดียวก็อะนุเอนุเอนเวนุนเอดเวก็เหมือนอ่านว่านวยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนอํานวยอะไรอะนุเว เคยอ่านได้อันนเวอันนเวหมะมาอันเวเนี่ยว่ายากนะเอาละมาดูทีเนี้ยภาคแปลไทยเป็นบาลีข้อหนึ่งอ่าว่าไงท่านตะวังจงเดินไปเฮ้อข้าชาหีก็มีขัชาหีก็มีออ คัตฉาหิตามทางสายนั้นเปนะ็มเนมะเขน่ะอืมเตนนมะเขน่ะนอกจากมักคะศัพใช้ศัพไหนได้อีกแปลว่าทางนะ่ะปาเทนะปาเถนะปะาแปลว่าทางอะไรอีก วิทีหรือวีที <laughs> อ่าวีทีไม่ใช่วิถีถ้าวิทีนี่ไท ย, ย <า S 1> ถ้าบาลีเป็นวีทีวีทียาถ้าวีทียาก็ต้องเป็นตายะนะเ ต, ะตนะสายนั้นมักเคนะตามทางเตนะมักเคนะตามทางสายนั้นตามทางนั้นนั่นเองอะสายเนี่ยใส่เข้ามาให้เฉย บาเรียงประโยคเป็นตะวังเตนะมัคเณนะคัฉาหิตวังเตน ะ, ะมะคัคเณนะคัดฉ า, าหิข้อสองข้าพเจ้าจะตามไปข้างหลังข้าพเจ้าองหัง<า>จะตามไปอ้าวอานเวอะไรจะตามไป อาคัชามิก็าจะมาจะตามไป<ชาย> อ, อ้าวอเนวอะไรอ่ะอาคัามิ<ช>า<ย>อวามอ่าวาก็มีอ้าวตามไปจะตามไปว่าไงจะตามไปอันุูกคัชาม<ย>ิ มีตั้งหลายตัวจะใช้ได้อะอนุขชามิอย่างท่านก็ได้นะอนุขฉามิก็ได้อนเวตัวเนี้ยเติมมิเข้าไปก็สําเร็จละอาณเวมิอาเวติอาณาเวนติอเวศิอาณาเวธาอาเวมิอาเวมะอานาเวมิให้เฉยหน่อยก็ใช้ได้มันไม่มีอาเนี่ยมีแต่สระเอ มันมีเอมันไม่มีอะอะนูเอมะอนมะอนเูเอมิได้เลยอ่ะหังข้างหลังล่ะข้างหลังปีทีโตอหังปิทีโตอะนูเอมิอะนูเอมิอะนูเอมิอ ข้อ3โดยโคดท่านมีชื่อว่าอ่างไรโคตเตนะ ต, ต, ตวงกิงกิงนาโมสิเอาไหนก็ได้โคเตนะขึ้นก่อนก็ได้โคเตน่ตามหลังก็ได้โคเตนะกิงนาโมสิตตมสหรือไม่ก็ ถ้ารู้ว่าผู้ชายชัดๆอยู่แล้ ว, วโคตเตนะโกนามโมไม่ต้องกิ่งก็ได้โคตเทนะถ้าถามผู้หญิงก็กิ่งนามาสิถามผู้ชายก็กิ่งนาโมาสิไงต้องถามให้ถูกลิงนะคำเนี้ยโคตเตนะอยู่ข้างหน้าก็ได้อยู่ข้างหลังก็ได้กิ ง, างนามโมตะวังใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ โคตเตนะกิงนามสิอันนี้ก็ได้กิงนามอสิโคตเตนะก็ได้ตะวังไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ไม่ผิดยมเกีติพลชื่อว่ายังไงโคตอ่ะมีโคตว่ายังไง อามากิ้งทำไมลนะ่ะถามมาตะมาคืนหรกิ้งน่เอาถามก็ได้อืฮะอะไรนะวัฒนะวัฒนะสันส้นๆแค่เนี้ยวัฒนะโคเตนะวัฒนะนะนามะ <c oughs> โคเตนะวัฒนะนามะชื่อว่าวัฒนะโดยโคต เอาละพอล้ะที่ไม่ยากนี่ก็ไม่ต้องอยู่นานนะสามารถไปเปลี่ยนเอาทีหลัง <c oughs> ต่อไปดูข้อเจ็ดเป็นข้อสุดท้ายของตัติยาวิพัฒน์ข้อเจ็ดบอกว่าตติยาวิพัฒน์ในอัดอิทธมภูตขานะอิทธมภูตขานะอิทธังแปลว่าจริงเป็นจริง แปลว่าจริงอ่ะอิทงังอ่ะอิทั้งแปลอิทังตรง น, นี้แปลว่าสัดจังส่วนภูตะเนี่ยแปลว่าเป็นแปลว่ามีอิทั้มภูตะจริงแปลว่ามีจริงเป็นจริงอักขานะแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวสามคำเขาสมาครกันเป็นอิทมัมภูตตะขานะก็แปลว่าบอกตามความเป็นจริง อคคานะอิทังภูตะและอคคานะนะคำสามคำพอพอสเปาอยู่ข้างหลังที่มีหินเป็นมะใช่ไหมละ่นะก็เป็นอิทัง พูดตาก็อาคานะอาคานก็บานาเนี่ยเป็นอิูตัานะอิงแปลว่าสั จ, จังแปลว่าความจริงอิบถังเนี่ย <c oughs> อินี้เป็นนิบาอิถความจริงูตแปลว่ามีแปลว่าเป็น มีจริงเป็นจริงอกขานะแปลว่ากล่าวแปลว่าบอกกล่าวตามความเป็นจริงหรือบอกความจริงพูดความจริงให้ฟัง <c oughs> ดูตัวอย่างฮะพูตามแปลว่าหลอกพูตะพูตะไม่แปลว่าหลอกแปลว่ามีปลเป็น พูดผีปีศาจนั่นเหรออ๋อไม่ไม่ใช่พูดแต่ไม่ใช่ปีศาจเลยฮะพูดไม่ใช่ปีศาจพูดเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่มีภูมิสัตว์เกิดมามีภูมิเรียกว่าพูดส่วนปีศาจก็อีกเรื่องหนึ่งชอบหลอกร้อนนะอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่พูด อย่างมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าพูดชนิดหนึ่งต้นไม้ก็เป็นพูดชนิดหนึ่งอย่างพูตาคามใช่ไหมต้นไม้ก็พูตตาตัวเนี้ยอใช่มหาพูตารูปก็เหมือนกันสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่ไงเขาว่าภูตตาแปลว่ามีแปลว่าเป็นดูตัวอย่างข้อหนึ่งดูซิว่าเขาจะมาบอกความจริงว่ายังไง สาพินเนนะีเสนปะปักข้างรันเตนะโลหิเตนะปฏิวิศกานังอุชาเปสิประโยคนี้มาจากเรื่องเรื่องหนึ่งเรื่องนางกาลีเนี่ยสาเนี่ยคือนางกาลีนางกาลีเนี่ยเป็นใครเป็นคนใช้ในบ้านของเศรษฐีผู้หนึ่งเศรษฐีผู้นั้นมีลูกสาวอยู่คนเดียว สวยสวยตมาก็ยังไม่เคยเห็นหอบาลีท่านบอกว่าอาภิรูปางไงลูกสาวเศรษฐีอะ่ะบอกอภิรูปามีรูปสวยมากเลยเป็นลูกสาวคนเดียวเนี่ยเอาแต่ใจขี้โมโหใจร้าย ใครๆเขาก็เล่าก็าลือว่าลูกสาวเศรษฐีคนนี้เป็นคนโหดร้ายใจร้ายปากจัดด้วยนะไม่ใช่ใจร้ายธรรมดาปากจัดกระกล้านตั้งแต่นางกาลีมาเป็นคนใช้บ้านนี้เนี่ยยังไม่เห็นยังไม่เห็นลูกสาวเศรษฐีว่าเป็นคนใจร้ายว่าเป็นคนปากกล้า ได้ยินแบกบ้านข้างๆเขาเล่าเล่ามินทาว่าอย่างนั้นว่านี้แต่ว่ามาอยู่เนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยเอ๊ก็สงสัยขึ้นมาว่าเอ๊สิ่งที่เราเห็นกับข้างๆบ้านเขาเล่าให้ฟังในไม่เห็นเหมือนกันเลยเอาล่ะเราจะทดลองดูซิว่าลูกสาวเศรษฐีผู้นี้เนี่ยใจดีหรือใจร้ายกันแน่นางกาลีก็เลยเริ่มวางแผนทดสอบตื่นสายข้าวไม่ได้หงบ้านไม่ได้เช็ดถูผ้ายังไม่ได้ซัก เจ้านายหญิงคนนี้ก็ไปเรียกไปแม่กาลีตื่นหรือยังจ๊ะเอ๊ะก็ไม่เห็นโกรธอะไรนี่นะแกลงตื่นสายแล้วทําไมตื่นสายล่ะเล้ ว, วตื่นได้แล้วมาทํางานบ้านคนอื่นเขาจะตื่นสายสิก็ตื่นมาทำํานทำนู่นทํำนี่วันที่สองตื่นสายกว่าเดิมอีกวันที่สองไปเคาะประตูเลยนะเคาะยังไม่ดังเท่าไหร่แม่กาลี ทำไมไม่ตื่นสักทีละฮะไม่จ้าเหมือนเมื่อวานนี่แหละ ว, <c oughs> วันที่สามแกล้งตื่นสายกว่าเดิมอีกวันที่สามนี่ได้เรื่องเลยไม่ใช่แม่กาลีละอินางกาลี <c oughs> ทำไมตื่นสายอย่างนี้คว้าได้แจกันคว้างหัวเลยหัวแตก นางทาสีกาลีในหัวแตกวิ่งออกนอกบ้านไปเที่ยวพลธนาบ้านโน่บนบ้านนี้นี่ไงคำที่เขาพูดเนี่ยสานางกาลีนั้นพินเนนะสีเสนะสีเสนะมีสีสะพินเนนะอันแตกแล้วมีสีสะแตกแล้วพินเนนะเนี่ยแปลว่าวแตกแล้วสีเสนะมีสีสะอีทัมพูตคานะเนี่เขาจะแปลว่าวมีไงมี พูดความจริงให้ฟังั้งแปลว่ามีมีสีษะแตกแล้วโลหิตเตนะมีโลหิตปักข้างรันเตนะอันไหลออกอยู่เลือดไหลอาบสีษะแตกเลือดไหลอาบอุชอาเปสิอุชอาเปสิแปลว่าใส่ร้ายแล้วยกโทษแล้ว คำว่ายกโทษก็คือยกสิ่งที่ไม่มีโทษให้มันมีโทษนะไม่ใช่ไม่ใช่ให้อภัยนะยกโทษอยกโทษให้นียภาษาไทยยกโทษแล้วใส่ร้ายแล้วปฏิวิษสการนางแก่ผู้คุ้นเคยทั้งหลายไปฟ้องพูดง่ายๆอุชาเปสีฟ้องฟ้องแล้วปฏิวิษสการนางแก่ผู้คุ้นเคยกันทั้งหลาย โดนเจ้านายตีหัวแตกวิ่งไปฟอ้องบ้านโน้นบ้านนี้ายังโทษไม่ต้องถ้ายังโทษให้เกิดขึ้ น, นอันไห น, น, นก็นาเปนนั่นแหละแต่ว่าไม่ต้องแปลอย่างนั้นนะไม่ต้องแปลแปลเป็นเหตุแปลเป็นกัดได้เลยลใส่ร้ายฟ้องนะฟ้องร้องโจ์ นางกาลีนั้นมีสีสษะแตกแล้วมีโลหิตไหลอาบอยู่อุชาเปสิฟ้องแล้วปฏิมิตรการนางแก่ผู้คุ้นเคยกันทั้งหลาย <c oughs> ตัวที่เป็นอิธรมภูตาคานะคือสีเสนะและโลหิเตเนณะแปลว่ามี ับเป็นตาปัจจัยนะครับตาเป็นอินนะนางกาลีนั้นมีสีสะแตกแล้วมีโลนหิดไหลาอาบอยู่ต้องอยู่ด้วยอันตาปัจจัยเป็นปัจจุบัน สีสะแตกเลือดไหลอาบนำไปฟ้องผู้คนที่รู้จัก <c oughs> ฟ้องว่ายังไง <c oughs> ฟ้องว่าดูสิดูดูแม่เจ้าทั้งหลายของพวกท่านสิที่ว่าไหนว่าเธอเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บางคนบอกว่าดีนักบางคนบอกว่าร้ายนักนดูสิเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เอาความจริงไปโพนธนาให้ฟัง <c oughs> ใครเป็นหวัดมั้งวันนี้ได้ยินเสียงไอหลายคนระวังติดอะมาไปนะกำลังเป็นหวัดต่อไปดูข้อสอง โยปะณภิกขุอูนปัญจพันธเนะเนะปัตเณนะอัญญงณวังปตังเจตาเปยะนิสสะเคียงปาจิตติยังปะณะก็โยพิกขุภิกษุรูปใดปัตเตณมีบาทลงนาตัทยายพัดแปลว่ามีนี่คืออิธรมภูตัขานะอีกปัตเะมีบาทรูนปัญจพันธเนนะ อันซ่อมอันต่ออันปะนะอันปะอูนะปัญจหย่อนห้าแหง่งอันปะหย่อนห้าแหง่งเจตาเปยะขอขอพึงขอนะปะตังซึ่งบาทณวังใบอื่นอ่าณวังใบใหม่อันยังอื่น ขอซึ่งบาทใบใหม่อื่นนิสกิยังปาจิติยังต้องอาบัตินิสกิยาปาจิตีนี่เป็นสิขาบทวินัยมาจากพระวินัยพิดกเล่มที่สองนิสกิยาปาจิตีกันปัตตะวักแผล้ แ, ลแผเดียวยอกว่าฮะาใช่แผลเดียวก็ช่างตั้งแต่หนึ่งถึงห้านี่แหละ ยังไม่ยังไม่ถึงห้าจุดอันนี้ไม่ได้แปลว่าแผลนะปะมีบาทที่มีรอยปะยังไม่ถึงห้าแห่งซ่อมแล้วปะไปแล้วไม่ได้แปลว่าทะลุไม่ได้แปลว่ารั่วแต่เขาแปลว่ารั่วใช่ไหมพันธะสับไม่ได้แปลว่ารั่วพันธนะศัพท์แปลว่าซ่อมสมัยก่อนใช้บาทเนี่ยมันจะมีบาทอยู่สองประเภทที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้ก็คือบาทเหล็กและบาทดิน ห้ามไม่ให้ใช้กระบอกไม้ไผ่เป็นบาทห้ามไม่ให้ใช้กะลามะพร้าวทำเป็นบาทห้ามไม่ให้ใช้กระโหลกศีรษะมนุษย์ทำเป็นบาทเพราะว่าวัตถุเหล่านี้ยคนขอทานเขาใช้นะพวกขอทานเขาใช้นั้นภิกษุใช้เนี่ยสามารถทําบาทใช้ได้เองก็คือนาดินมาเผากับบาทดินเผาบาทดินเผาต้องเผาเจ็ดครั้งถึงจะใช้ได้ าบาทโลฮะต้องเผาสิบสี่ครั้งจึงใช้ได้ตอนนี้บาทสแตนเลสไม่ได้เ ผ, ผ, ผาสักทีก็ <c oughs> ไม่ทำยังไง <c oughs> เพราะว่าที่ให้เผาหลายๆครั้งเนี่ยจะให้ให้เหล็กมันเป็นเหล็กกล้าไม่ขึ้นสนิมง่ายแล้วก็ทำลายสีที่มันสวยงามส่วนบาทดิน <c oughs> เผาหลายๆครั้งเนี่ย <c oughs> เพื่อจะเผาให้สีมันหมอง <c oughs> ถ้าเผาครั้งเดียวมันออกสี ดินอรุลจ้าเลยใช่ไหมเหมือนดิ น, นอิมมอนอย่างนี้ยมันเฉดจ้าสวยเกินไปเผาซ้ําแล้วซ้ําอีกนะให้มันกระด่างกระดําจึงจะใช้ได้ทีนี้ถ้าบาดรั่วถ้าบาดดินรั่วเนี่ยมันก็แค่เอาดินละลายน้ําเหนียวๆมาป่าๆแล้วก็เผาซ้ําอีกก็อยู่แต่ถ้าบาดเหล็กรั่วเนี่ยป่ายัางไงเพราะสมัยก่อน้มีร้านออกเหล็กนี่ครับ ไม่มีร้านออกเหล็กไปให้เขาออกให้เขาบัดฟรีจิตหน่อยนึงก็ใช้ได้ไม่ได้ mm hmm. พระต้องทำเองทำยังไงทำไงทำไงใช้ยางอะไร <c oughs> ถ้าบาดเหล็กก็ต้องใช้เหล็กใช้เหล็กปะบาดดินใช้ดินปะสมัยผมบวชใหม่ๆนะครับผมเคยใช้บาดรั่ว เพราะว่าตอนที่ผมบวชเนี่ยใช้เงินไปร้อยหกสิบบาทนะบวชเนี่ยท่านบวชหมดเท่าไหร่ไม่ได้เสียเลยสักบาทอาอแล้วบวชยังไงไม่ถาวายอุปาชาเลยอุชาชให้ขึ้นหมดเลยบวชวันไหนหน่าไปบวช <c oughs> อ่ะอ๋อนี้บวชหมดเท่าไหร่ <c oughs> เป็นแสนพาวัวสองตัว ว่าทให้ผมวด้อกับ ai yeah. น้องชายสองคนเาก็เลยองโอ้ผมก็บวดกับน้องชายสองคนไม่เห็นใหญ่สักหน่อยร้อยห0สิบบาทครับผมมีหมอมีอะรผมก็มีหมอรศเพราะก่อนบวนนี้ผมอยู่วงวงเครื่องสายผสม ผมเล่นผมเล่นหลักก็คือเล่นเล่นซอซออูซอด้วงได้หมดซอเล่นไม่ได้อย่างเดียวคือเปอ่าปีครับเพราะว่าเขาเรียกว่าบังหวนลมก็คือถ่ายเทลมเนี่ยได้ไม่ไม่เหมือนเขาทำฝึกยังไงก็ฝึกไม่เป็นเพราะเป่าปีเนี่ยเสียงจะต้องไม่ขาดลมเข้ากับลมออกเนี่ยต้องไปพร้อมๆกันสูตรลมเข้าจมูกแล้วลมออกทางปากขณะเดียวกันเสียงไม่ขาดนี่ไม่ใช่ง่ายนะฝึกแล้ว จนเจ็บกับพุ้งแก้มนะหมดฝึกไม่เป็ น, <ค>นปใช่คนเป่าปีได้อเองเขาต้องอ เ, เขาต้องผัน ค, คูฝึกฝึ ก, ฝกพยายามฝึกครับจะให้ผมเป็นปีให้ได้แต่ทําไม่ได้ <c oughs> พราะมันต้องบังคับกับพุงแก้มกับลิ้นครับ <c oughs> สองอย่างในขณะที่ที่อารม์เข้ากับลมออกมันพร้อมกันใช่ไหมสูบลมเข้าจมูกใช้ลิ้นอุดเพดานไว้ครับแล้วก็กับพุ้งแก้มเนะี่ยบีบให้ลมออกครับ <c oughs> ลมออก ลมใต้ลิ้นออกลมบนลิ้นเข้าไม่ทรมานเราแต่มันทําไม่เป็นนอกนั้นเป็นหมดอะไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพินแคนละนาดกรองแต่เล่นหลักๆที่เล่นได้ดีที่สุดก็คือสีซอครับเพราะเคยเป็นแต่งเลี้ยงควายมา ก, ก่อกสอนทั้งเสาอู่สอด่วน ซออูอดอืมซออู่ก็ตัวใหญ่เสียงก็ดังอู้อูซอด้วงก็เสียงดังอีอีสองสายซอสองสา ย, สสายเหมือนกันสองสายเหมือนกันอด้วงสองสายแล้วแต่เพลงบางเพลงก็ใช้ซออู้ยืนบางเพลงก็ใช้ซอด้วงยืนไม่มี จำเอา ใ, ำาใช้จำส่วนมากใช้จำเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นไม่มีนอตอะต้องจำเอาครูเสือสอนเป็นชั้นๆแล้วก็จำเอาเป็นชั้นๆๆแล้วก็แต่ละชั้นมาผสมกันฮะไม่ลืมถ้าเล่นเป็นแล้วไม่ลืมอะคนอื่นคนอื่นเขาเล่น <c oughs> เขา <c oughs> เขาฝึกกันอยู่เป็นเดือนเดือนอะแต่มาฝึกแป๊บเดียว <c oughs> เป็นเลย นั้นถึงวันบวชเนี่ยคณะคณะซอคณะเครื่องสายผสมเนี่ยก็มาเล่นให้ครับเล่นให้เพร า, พราะพอเราเป็นตัวเอกอยู่ในทีมอเออ <laughs> ไม่ต้องร้องนะอาตมา ก, ก็ไม่ไม่ทราบว่าเพลงร้องมันเป็นอย่างไรอย่างก็ฝึกเพลงแรกก็คือเพลงจีนล่อเรือจีนล่อเรือเนี่ยไม่รู้เพลงร้องมันเลยเป็นเพียงทํานองเพลงเฉยเใช่<ๆ>ใช เราฝึกมันก็สีไปตามเลยเป็นเพลงไทยแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อไทยเลยมอนซ่อนผ้าลาวเสียงเทียนขมินไซยโยกพม่าลำขวานก็คือเอาเอาเอาเพลงพวกนั้นมาประยุกต์เป่า่สีซ อ, อสสอีซอสนาสีซอสเล่นเล่นได้หลายตัวมา อ, ออ์แกน อีกเขาเรียกแคนแคนฝรั่งอ่ะนะี่ันได้ง <c oughs> ั้นวิธีปะบาทจะพูดถึงวิธีปะบาทถวายพระหน่อยเพราะเป็นวินัยนะครับเอานี้เราทำบาตรเลยครับลู้เนี่ยนะบาทรไป ห, หนึ่งนะ สมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีเขามีอะไรนะเาข า, เ, า, านนเขาไม่มีเครื่องปั๊มทําบาดไปหนึ่งเขาไม่ได้มีเครื่องปั๊มเขาปีเหล็กแ ผ, นแผน่นแผ่นเล็กันอย่างเนี้ยเล็กๆแผ่นอย่างเนี้ยแล้วก็ เ, เล็กแ ผ, นแผน่นๆเนี้ยมาประกบกันเข้าโดยเขามีตะเข็บ เขามีตะเข็บเป็นช่องๆ อ, อย่างเนี้ยเขามีตะเข็บตะเข็บตะเข็บตรนั้นร้ยตรเนี้ยเป็นร้อยปาตะเข็บเอามาเสียบต่อกันเข้าแล้วก็ตีให้มันเหล็กให้มันยึดกันเลยถ้าเอาเหล็กแผ่นใหญ่ๆแล้วมาตีให้มันให้มันอัดเป็นทรงบา่าเมันไม่ได้มันทําไม่ได้แล้วก็เลยเป็นแผน่นๆมาตีตีตีเข้าตัก แถบตามอะไรบ้าส่มารถที่มีเจ็ดชิ้นบาทใบหนึ่งมีเหล็กอยู่เจ็ดชิ้นมีรอยต่อตะเข็บจุดที่จุดท้งรั่วก็คือจุดจุดเนี้ยจุดที่เปนรอยต่อเนี่รู้มว่ารอยต่อรอยต่อเนี้ยมันหายมันมันรอยต่อมันุดุดแล้มมว ม, มันก็รั่วเนี้ยนะมันเร า, าจะปะยังไงเน่ยรั่วรวน้ำไหลตักน้ำไม่ได้ไหลโจกออกมาเลยเนี่ยก็ต้องหาเหล็กมาปะครับ เอาเล็กมาหนึ่งชิ้นอย่างเี้ยนะครับปนแบนเอาเหล็กอะไรก็ได้สังสีอะไรก็ได้าทาแผ่นบางๆเป็นแบนอย่างเนี้ยแล้วก็พับพับอย่างนี้นะพับครึง่งพับครึง่งแล้วก็พับอย่างนี้ครับชิ้นต่อไปก็จะพับอย่างนี้อ่าอย่างนี้ยนะแล้วก็เอาแหลแมแหลเนี่ยเม็ดเข้าไปครับ เน็เข้าไปพอเนมเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยก็จะเปิดอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ยทับอ้าอ้าปากข้างในมันทางออกแล้วก็ตีอัดเข้าไปข้างในก็อัดเข้าไปข้างนอกตีอัดเข้าไปตีครับไอรอยปลอย่างเนี้หนึ่งแหงแล้วก็ยังขอบาดใหม่ไม่ได้ จนก่ารอยปะอย่างนี้ครับจะจะครบ5แห่งจึงขอบานใบทใบใหม่ ใ, ใช้ได้ถ้ารอยหนึ่งนะครับรอยรั่วหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะอธิษฐานได้ก็คือรอยรั่วนั้นมเมล็ดงาสามารถลอดออกไปได้ครับรูรั่วนั้นนะครับทําให้มเมล็ดงาสามารถลอดออกได้ชื่อว่ารอยรั่ว ถ้ายังรอดไม่ได้ยังไม่เรียกรอยด้วยยังใช้ได้อยู่นั่นแหละครับรูห้ารูจนเมล็ดงามมันรอดได้ทุกรูครบป่าครบห้าครั้งแล้วจึงจะขอบาดใบใหม่ได้ขอก็ต้องขอกับญาติและปะวารณาเท่านั้นด้วยถ้ามีคนปปวารณาไว้ท่านต้องการบาทให้บอกจะถวายบาทหนึ่งใบนั่นแหละบาทเราทะลูหนึ่งร้อยเราต้องป่าก่อนนะครับป่าปะ ไม่ใช่ร้อยแล้วก็ไม่ปะสองร้อยแล้วไม่ปะจนกว่าจะห้าร้อยจึงจะไม่ปะแล้วขอใหม่ไม่ได้รั่วรูไหนก็ต้องปะรูนั้นดังนั้นในนี้ท่านใช้ว่าพันธนะนะครับถ้าไม่ใช้ว่ารั่วนะท่าใช้ว่าคําว่าปะครับถ้าปะเกินแล้วค่อยขอครับปะได้ห้าแห่งแล้วมันยังรั่วอีกนะครับรูที่หกไม่ต้องปะแล้วไปขอใบใหม่ได้เดียวนี้มันเหลือเกิ ยังไงเหลือเฟือบาเยอะทีนี้มันจะปนรั่วเดี๋ยวเราเราจะเืออฐานสลสลบาีอฐานบาใหม่เอาบาใหม่อุ้ยบาทเล็กบาใหม่ใช้สู้บาทใบเก่าไม่ได้บาตรใบเก่าใช้ดีกว่าใช่แต่ของธมบัตรใบที่บวชมันแตกไปแล้ว อย่างที <entre as S 1> ่ว่านี่แหละใช้ไปใช้มาไอ้ต้นสมีมันเกาะลอยพวกนี้ตะเข็บพวกนี้หลุดออกมาเป็นชิ้นเลยแบะออกมาเลยเก่าปะาแล้วป่าอีกมีมีพวกญาติโยมมาถวายบใหม่โดยบเก่าไม่แกี่ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ก็ใช้ได้แต่ต้องเปลี่ยนบัตรก็เปลี่ยนบใหม่ได้ใช้ได้ไม่ต้องปใช้ได้ถ้ามีคนมาถวายไม่ได้ขอปัจจุบันียว่าไงนะ บาสแตนเลตมีตะบุบแล้วลอยต่อเาแตะแบบบาสเนสมัยโบราณจาเป็นอย่างงี้นะครับารทีเจ้าเป็นบาเนี่ยี่มาตั้งแต่ครับแต่ถ้าบาสผูท่เจ้าบาสสามใบครับท้ามหาพรมถวายมาสามใบอธิษฐานให้ซ้อนกันเป็นขอบปากที่เป็นสามชั้นบาสผู้ทีเจ้าไม่แตก แต่ทุกวันนี้ก็เป็นบาทสเตนเลสวันนั้นพระทำรุ่งดังแพงผมวาดเซตแล้วบาทไทยเดินไปดูไม่บุบครับบาทสเตนเลสมัไม่บุบเลยโอ้บาทเลยดีฝันนี้ดังนั้นการใช้บาทเนี่ย ห้ามมืออุ้มบาดอยู่ห้ามเปิดประตูหน้าต่างก็คือมือถือบาดอย่ห้ามไปจับอะไรทั้งนั้นนะไม่ให้ห้อยบาดไว้ไม่ให้ตั้งบาดไว้ในที่ไม่ปลอดภัยการรักษาบาดมีเยอะทุกวันนี้บาดหาง่ายครับบวดเจ็ดวันสึกทิ้งบาดไปหนึ่งใบ<ฮ> <laughs> จีวรก็ใช้ติีบจีวอนที่เขาพับขายยังยังไม่หายยับเลยครับยังเห็นเ็นกรีดอยู่สึกไปแล้วบาดก็ยังใหม่อยู่ใช้ได้บาดจีวอนที่เ็าสละแล้วใช้ได้อะดูต่อดังนั้นถึงบอกว่าถ้าขอใบใหม่มานะยังยังรูรั่วรอยปะยังไม่ถึงห้าแห่งเนี่ยขอใบใหม่มาใบที่ขอมานั้นใช้ไม่ได้ ต้องสละอย่างเดียวนิสขีอย่างต้องสละอย่างเดียวแล้วผู้ขอต้องอาบัตปาจิตีด้วยถ้ายังไม่สละต้องอาบัตปาจิตีทุกครั้งที่ใช้ ถ, ถ้าไม่ใช้สมมติว่ามัน้าไมใช้ขอมาทำไมป้าสมมติว่าโยมถวายมาป้าอีไปอย่างผมมีมีสานะโยมถวายมาไม่ได้ขอนี่ครับมันมันก็เกินไปใช่มครับอาจารย์มันก็มันก็เรียกเป็นบาตอิริยต พิสูดได้อดีลเลกบาทมาเก็บไว้ยึดเป็นเจ้าของได้ไม่เกินสิบวันเก็บไว้กี่วันอ่ะเก็บไว้กี่วันเก็าบาไว้กี่วันอา้าวเก็บไว้เกินเดือนแล้วไม่สละไม่ได้แล้ ว, ลวมันมไม่มีสิทธิ์จะสละแล้วครับ <c oughs> ไม่มีสิทธิ์ใส่สละเลยแต่ว่าช่วงนั้นยังเป็นอดีของอ๋อเอาเพิ่งจะเจ็ดวันเมื่อกี้นี่มันเดือนเจ็ดเดือนแปดแล้วเนี่ยอันนี้สองอาทิตยหมดตั้งแต่กลางเดือนสี่โน่นอ่ะเออแน่ไม่ใช่ไม่ใช่เองอะค่ะเอบัตรเก่าดีกว่าเอบัตรเก่าดีกว่าสแตนลอ่านั่นเห็นไหมยังเลือกโน่นเลือกนี้อยู่ ก็ยถวายมาทุกองเนก้าองค์ก็เป็นมาเก่ า, าเป็นบาน็กสีด okay. <bas> วันนั้น <S 1> <S 1> วันนั้นไปบิณฑบาตนายทหารที่กลาหมมมาใส่บาตรล้วงกระเป๋ามานื้อว่าอะไรครับกล้วยลูกหนึ่งครับใส่กระเป๋าบางเกงมาครับเดินหาพระ <etric> เดินผ่านองค์นี้ก็มองดูหน้าก็าเดินผ่านไปมาถึงผมมองดูหน้าล้วงกระเป๋า ผมก็เดินเลยไปมีมดครับเดียวเดียวครับนีมดมีมดก็เลยหยุดล้วมกระเป๋าลวงกล้วยมาหัวบี้หมแล้วใส่บาครับใส่กล้วยลูกเดียวใสใสกระเป๋งเกงมาจากบ้านสงใสมาทํางานที่กะลาหอมเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันพอใสพอพอนํามาเปิดบัตรวุ้ยท่าน บาดสวยจังเลยบวชไหมล่ะยมบาทสวยไงบวชไหมวันหลังมาอีกอ่ะส้มลูกหนึ่งลวงกังเกงเหมือนกันบางวันก็ไข่ต้มแบบไม่ผิดทำยังไงมาก็ได้นั้นแหะใส่บาทนะแล้วแล้วาที่เราชุดเดิมที่เราสลายไป ุดใม่มุด้จะสมมติว่าเราจะทให้มันมันเป็นปาิี่เป็นเกับได้วิกลับผ้าสองเจ้าของได้แต่เป็นผ้าเก่าแล้วผ้าปีอยู่ก็เลยว่าเอาไว้ที่ห้องก็สละไปเลยสิครับให้ผู้อื่นไปเลยครับให้แบบไม่สละครับให้พ้นไปเลยคำว่าสละเนี่ย มันมีสละอยู่อย่างก็คือสละด้วยการใช้วิธีกรรมการสละพิกษุผู้สละจะต้องสละกับพิกูุด้วยกันนะและพิกษุผู้รับการสละนั้นอนะ่ะจะเอาเป็นของตัวเองไม่ได้ต้องให้คืนผู้สละบังคับไว้ว่าอย่าหวังว่าจะได้คืนถ้าสละไปเพราะคิดว่าพิกษุรูปนั้นรู้วินัยถ้าท่านรับไว้เดี๋ยวท่านจะคืนให้เราอย่างนี้สละไม่ขาด บังคับผู้สละไว้ว่าอย่าหวังได้คืนแล้วบังคับผู้รับสละว่าต้องคืนให้เขาคืนกับองค์ที่สละไงหมายถึงสละไปแล้วท่านต้องได้คืนแต่ท่านอย่าทาใจว่าสละแล้วจะได้คืนถ้าตั้งใจว่าสละไปแล้วต้องได้คืนนั่นแสดงว่าการสละนั้นไม่ขาดตั้งแต่แรกไม่สําเร็จผลนะนั้นต้องต้องทําใจให้ถูกนะทําใจไม่ถูกทํารักษาไว้ไม่ได้ ส่วนการให้ไปเลยไม่ใช่วิธีกรรมสลาะนะถวายไปเลยอะ่ะนั่นคือไม่ต้องเอามาคืนรับไปได้เลยถ้าเราตั้งใจจะสละจริงๆต้องอย่างนั้นเป็นของเราเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นผ้าที่คนอื่นถวายไม่ใช่เป็นผ้านิสสกีที่เราขอมาใช่ ของสังฆทานเหรอถ้าในหนึ่งถังนี่ก็มีใช้ได้ใช้ได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่ะสักครึ่งหนึ่งเอางี้ละกันไล่ไปนะข้าวสารหนึ่งถุงเป็นข้าวสารที่มันหงก็คืออาจจะเหมาะกับพระมั้งเป็นข้าวที่มันไม่มียางอะไรแล้วก็คือข้าวที่เขาโลาะ ทิ้งแล้วมันหมดอายุเพราะว่าข้าวเนี่ยเกินหนึ่งปีมันก็ถือว่าหมดอายุนะเขาเรียกว่าข้าวไม่มีอย่างเพราะพ้พพนฝนไปเนี่ย <c oughs> มอดขึ้นเป็นข้าวเก่าแล้วก็อีกอย่างถ้าเป็นพริกแห้งกระเทียมซึ่งปกติพระก็ไม่ทําครัวเอาของพวกนี้มาเกลืออ่ะใช้ได้เกลือเนี่ยใช้เป็นยาซีฟันได้นะครับเกลือใช้รักษาแผลได้ เอาเกลือมาสตูมาคั่วเอาเกลือมาสตูมาคั่วอะไรก็ทำเป็นยาอะไรได้หลายอยา่างไี้เกลือพอใช้ได้ทีนี้น้ำดื่มหนึ่งขวด <c oughs> ก็ดื่มไม่ได้ครับเพราะน้ำดื่มมันมีผงซอฟฟอกอยู่ด้วยครับกลิ่นผงซัฟฟอกเข้าไปผ้าอาบน้ำฝนก็ใช้ไม่ได้ครับเพราะถวายมาแค่ครึ่งผืนครับอีกครึ่งผืนอยู่ใบไหนก็ไม่รู้ครับตามหาไม่เห็น นอกนั้นก็มีอะไรล่ะมีมีผงซับฟอกนะั่นแหละใช้ได้ผงซับฟอกแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่พวกนี้พอใช้ได้นอกนั้นก็ใ ช, ใช้ไม่ให้ได้เอางนี้แล้กันนะถังสังกทานที่ถังใบใหญ่ๆแล้วราคาถูกเกินคาดเนี่ยนะหิ้วไม่ได้เพราิ้วแล้วมันคว่ำหน้ายอย่างนี้หมดเพราะก็ใส่ไว้ตั้งแต่ปากปากปากกระ ป, ป๋องต้นกระป๋องมีแต่งซื้อพิมพ หิวล้มันคว่มอย่างเดียวหิวมาถ้าจะถวายจริงไม่ต้องไปเอากล่องกระแปงอะไรหรอกแพงด้วยเอามาก็ใช้ไม่ได้ใช้ครั้งสองครั้งมันแตกง่ายเพราะเป็นพลาสติกขี้พลาสติกที่มันไม่มีคุณภาพอะไรมาใช้ไม่ได้ถ้าอยากแต่ถวายก็เอะละเราอยากถวายอยากของเนี้ยก็ไปซื้อใส่ถุงพลาสติกมาก็ได้แล้วก็มาจัดใส่พานใส่ถานอะไรที่วัดถวายก็ได้ไม่ต้องหิวกระป๋องอะไรมา ม, มันเปืองเงินหลายบาทแล้วก็มาก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทุบเทียนอย่างเงี้ยมาทำไมยังไม่รู้กองเต็มเดินเทินเทือกอยู่ <c oughs> ไม่ต้องของอย่างหนึ่งอะอาหารหนึ่งอย่างก็ได้ผ้าหนึ่งชิ้นก็ได้ <c oughs> ไม่จําเป็นต้องเป็นสบงจีวรอะไรผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดบาท พืนหนึ่งผ้าขนหนูพื้นเล็กๆพื้นหนึ่ง <c oughs> ก็มาถวายสังฆทานได้ถวายถวายถ้าจะให้ดี <c oughs> ก่อนจะถวายที่ไหนก็ถามก่อนก็ได้ <c oughs> ถามได้แต่พระจะไม่บอกก่อนถ้าโยมมาถามก่อนก็บอกได้อืม <c oughs> ว่าโยมต้องการถวายของสินี้สินี้สินี้นควรแก่ท่านไหม <c oughs> ถ้าท่านมีมากแล้วย่างถวายผ้าอาบน้ําฝนมาเนี่ย กองเต้มอยู่ลราโยมก็ถวายผ้าน้ำฝนอย่างนี้ถ้าถามท่านก็บอกว่ามีแล้วแต่ถ้าบอกว่าได้ได้โยมได้ได้ไดไดก็เพรเป่งใจเฉยๆก็เอามาก็กองอยู่ยนั่นนะดูต่อไปข้อสาม แปลแล้วยังไม่ไปแปลเลอโยปนัภิิขุเนี่ยปนภัภพิก็โยพิขุภิกษุ ร, กรูปใดปัเตณมีบาทอูณปัญจพันธเนนะอันมีรอยปะหย่อนห้าแหง่งเจตาเปยะขอปัตังซึ่งบาทณวังใบใหม่อันยังอื่น ขอบาทใบใหม่อื่นนิสกิยังปาจิตยังต้องอาบัตินิสกิยปาจิตตีต้องอาบาาาัติตออาานิสกีปาจิตตีหมายถึงว่าอาบัตินี้ต้องเขาแล้วต้องสละของที่ได้มาทิ้งจึงจะแสดงอาบัตตกถ้ายังใช้ของนั้นอยู่แสดงอาบัตไม่ได้ ต่อไปข้อ3เป็นคาถาสองคาถานะเริ่มต้นที่มโนมโนบรรทัดแรกนี่ก็เริ่มคาถาใหม่มโนบรรทัดที่4ก็เริ่มคาถาใหม่สองคาถาคาถาแรกบอกว่ามโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษามโนมายามนัสาเจปทุเถนะพาสติวากังโรติวาตะโตนางทุกขมะนุเวติจักกังวะวะโตปัง คาถาที่สองแตกต่างกันตรงปรทุเถนะเป็นประสันเนนะเห็นไหมปทุเถนะประสันเนนะคถาบา ท, ที่สองอแถวที่สองของแต่ละคาถานะแตกต่างตรงนั้นแล้วก็แถวสุดท้ายของแต่ละคาถาตะโตนังตะโตนังเหมือนกันข้างบนเป็นทุกขมะนเวติข้างล่างเป็นสุขมะนเวติเปลี่ยนทุกขะเป็นสุขะ แล้วก็บาดสุดท้ายของทั้งสองคถาต่างกันข้างบนเป็นจักกังวะมหตูปทงังข้างล่างเป็นฉายาวะอนุปายินีต่างต่างกันตรงเนี้ยนอกกนั้นเหมือนกันหมดเลยคถาบนก่อนธรรมมาเป็นประธานธรรมมาธรรมทั้งหลายเป็นผู้หูพจน์มะโนปุพังขามามะโนแปลว่าใจ ปุะแปลว่าก่อนเข้ามาแปลว่าถึงมีใจถึงก่อนมโนปุพังเข้ามามีใจถึงก่อนมโนเศรษฐามโนแปลว่าใจเศรษฐาแปลว่าประเสริฐสุดมโนเศรษฐามีใจประเสริฐสุดมะยาแปลว่าสําเร็จสําเร็จ สำเร็จแต่ใจสำเร็จด้วยใจมนโนมยาจึงแปลว่าสำเร็จมาแต่ใจสำเร็จมาแต่ใจสำเร็จแต่ใจเจหากว่าเจหากว่าเจหากว่าบุคคลในคาถาไม่มีใส่ปุกคโลเข้ามาเพราะมีแต่กิริยาว่าพาสติการติ แต่ไม่มีตัวประธานแล้วก็ใส่บุคคลเข้ามาปุคโลเจหากว่าปุคโลบุคคลมณะสะามีใจมณะสะามีใจตัวนี้แหละเป็นอิธำภูตาขานะเนี่ยมีใจมณสามีใจปทุทเถนะอันปะทุทสลายแล้วมีใจอันปะทุทสลายแล้ว ปทุษเถนะเนี่ยมีใจเสียแล้วมีใจถูกโทษปทุสร้ายแล้วคือมีใจเสียแล้วมีใจไม่ดีแล้วพาสติวาจะกล่าวหรือกระโรติวางหรือว่าจะทำจะพูดหรือจะทำ จะกล่าวหรือจะทําจะกล่าวก็ตามจะทําก็ตามตาโตนังทุกขามะนเวติตรงทุกขามะนเวติเนี่ยตัดสนธิมาเป็นทุกขังบวกอะนเวติทุกขังอะนเวติทุกขังความทุกขอะนเวติย่อมติดตามไป ย่อมติดตามย่อมไปตามนะถ้าแปลเขาแปลทั่วไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปอนุเวติย่อมไปตามนังซึ่งบุคคล น, นั้นความทุกย่อมไปตามซึ่งบุคคล น, นั้นตะโตลืมแปลตะโตตะโตปแปลว่าเพราะเหตุนั้น ต่โตเพราะเหตุนั้นหรือเพราะเหตุที่ใจถูกปัทุสลายแล้วนั่นแหละนะเพราะเหตุนั้นความทุกย่อมตามไปซึ่งบุคคลนั้นย่อมไปตามซึ่งบุคคลนั้นจักกังวะเป็นสนธิตัดบทออกมาเป็นจักกังบวกอีวะอีวะเป็นอุปมาแปลว่าราวกะเพียงดังประดุษดังเช่นกับเปรียบเหมือน หรือเหมือนเฉยๆก็ได้จักกังวะเหมือนล้อเหมือนล้อล้อรถล้อเกวียน <c oughs> รถก็มีสี่ล้อนะนั่ น, นเขาเรียกว่าจัจตุจักระวยจัจตุจักกนะวะนวธาวางรังเนะี่ยมนุษย์เนี่ยจักกังวะเหมือนล้ออะนเวติ ย่อมติดตามย่อมตามไปหรือย่อมไปตามประทังซึ่งรอยเท้าซึ่งรอยเท้าวะหะโตมีแต่วะหะโตมีแต่ตัววิเศษณะวิเศษเสยไม่มีต้องใส่วิเศษณ์เข้ามาเป็นวิเศษเสยเข้ามาว่าใส่โคเข้ามาเป็นขวัตสัขวัตสัโคสัพอ่ะนะ โคสับลงชัตถีวิพัฒเป็นขวัติศะใช่ไหมลองเปิดดูไวยายกรสิรอยเท้าของโคอะแปลว่าของโคโคสับปุ้งลิงลงศัตถีวิพัฒนมีรูปเป็นยังไงขวัติศะขวังคุณนางโคนงะนะังน่ะชัตถีมีรูปเป็นลาชัตถี สถีขวัติอือมนั่นแหละขวัติขเขียนว่าขวัตะไว้ที่ว่าฮะโตะว่าฮะโตแปลว่าตัวนำไปอยู่ทุ้งรังหรือไม่ก็เขียนว่ายุคังก็ได้เหมือนกัน ความหมายเดียวกันทุรังยุคังแปลว่าซึ่งแอกวหโตนําไปอยู่วหโตคือวัชตัดสะนั่นแหละนะวัชตัดสะวาหโต <c oughs> เหมือนคุณวันตัดสะคุณวะโตเนะี่ยเดียวกันวหโตตัวนําไปอยู่ขวัติแปลว่าแห่งโคประทังแปลว่าซึ่งรอยเท้าอะนุเอติแปลว่าย่อมไปตาม ย่อมไปตามจากกังอีวะแปลว่าเหมือนล้อจากกังอีวะเหมือนล้อล้อของเกวียนนะเหมือนล้ออะนเวติย่อมตามไปอาย่อมไปตามย่อมหมุนไปตามประทังซึ่งรอยเท้าวขวัตสะแหงโคของโควหะโตตั ว, ตวนําไปอยู่ตัวลากไปอยู่ รังซึ่งแอกมองภาพออกไหมโคสองตัวมีแอกอยู่บนคอลากเกวียนเดินไปแล้วก็มีล้อสองล้อหมุนตามรอยเท้าของโคทั้งสองตัวนั่นแหละถ้าเดินไปเรื่อยๆล้อมันก็หมุนตามไปไม่หยุดไม่หย่อนถ้าหยุดโดยเร็วฉึกเมื่อไหร่นะล้อก็ชน ส้นของของวัวชนปั๊บเข้าไปเลยหยุดก็ไม่ได้เดินก็ไม่ได้เดินไปก็หนักไปเรื่อยหยุดเมื่อไหร่ล้อก็ทันล้อก็ทันเท้านะถ้าเดินหนีมันก็ตามไปเรื่อยไม่ยอมหยุด <c oughs> เกียรพอดีนะล็อกเกวียนกับรอยเท้าโคเนะี่ยเกียบทับกันพอดีพอดีเลย <c oughs> ใครเคยนั่งเกวียนบ้างอย่เนี้ยยกมือหน่อยสิอ๋อหลายคนเลยเนะี่ย <c oughs> เดี๋ยวนี้หายากแล้วไปบ้านนอกก็มีแต่อ e ีแตนตอนเนี้ยไม่มีเกวียนแล้วรู้จักอ e ีแตนไหมรถไถนาแตน คาถานี้บอกว่าทำทั้งหลายคำว่าทำทั้งหลายนี่หมายถึงทำทุกอย่างนะทำกุศลและทำอกุศลและทำและทำที่กลางทําทำทั้งหลายเนี่ยมีใจถึงก่อนจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ต้องถึงจิตรู้ก่อนจิตรู้ก่อนมโนเศรษฐาก็มีใจประเสริฐที่สุดก็คือมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธาน มโนมายาสาเร็จมาจากใจก็คือพูดก็พูดจากจิตที่คิดได้ทำก็ทำจากจิตที่คิดได้ถ้าบุคคลเรามีใจเสียเสียแล้วนะถ้าคนเรามีใจเสียเสียแล้วไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำทุกย่อมตามผู้นั้นไปถ้าใจเสียแล้วเนี่ยนะจะพูดก็ได้ทุกจะทำก็ได้ทุก เหมือนอะไรเหมือนลอ้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลาที่ลา ก, กแอกไปส่วนคาถาที่สองต่างกันตรงที่ว่าปทุถเนะเนี่ยเป็นประสันเนนะประสันเนนะแปลว่าเลื่อมใสแล้วผ่องใสแล้วใสแล้วเฉยๆก็ได้ดูนะคาถาที่สองนะมณสาเจประสันเนนะ บุคคลมณสามีใจประสันเนนะอันใสแล้วมีใจผ่องใสแล้วภาสติวากรติวาจะพูดหรือจะทำก็าตามสุขขังอนุเวติความสุขย่อมตามไปความสุขย่อมตามคนนั้นไปฉายาวะอนุปายินีฉายาวะกฉ า, ายาอิวะ ฉายาแปลว่าร่มแปลว่างเงาในนี้แปลว่างเงาฉายาอีวะเหมือนเงาอนุปายณีอันมีปกติติดตามไปเหมือนเงาตามไปเป็นปกตินั้นเราเดินไปไหนเงามันเมื่อยหยุดนั่งก่อ น, นก็ไม่ได้เดินไปไหนเงามันก็ตามไปที่นั่น บางทีตามหลังบางทีแซงออกหน้าแล้วแต่มันจะกลับกับแสงอยู่ตรงไห น, นะระหว่างใช้ ย, ยาว่าจากจังว่าจะใช้ตัวเดียวกันได้ไหมครับใช้อะไรใช้อะไรตัวเดียวอะตัวล้อมือนล้อติดตามเนี่ยต้องไม่เหมือนครับถ้าล้อติดตามมันให้ความทุกขไงครับ ถ้าล้อติดตามเนี่ยมันให้ความทุกข์อย่างที่ผมบอกอะ่ะถ้าไม่ให้ล้อตามทันบัวก็ต้องลากแอกเดินไปเรื่อยเขาเหนื่อยไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าหยุดเมื่อไหร่ล้อก็เหยียบเท้าวจุ๊บเข้าไปดังนั้นล้อติดตามจะให้แต่ความทุกข์ครับส่วนเงาติดตามเนี่ยมันไม่เป็นความทุกข์แบบนั้นฮะตามเหมือนกัน แต่เราติดตามให้ความทุกข์ส่วนเงาตามไม่ให้ความทุกข์เงาเหมือนเงาติดตามในหมายความว่าเราจะไปที่ไหนไหนเงาก็ตามไปเรื่อยเงาใครเงามันสองคาถานี้มาจากธรรมบทคาถาที่หนึ่งกับคาถาที่สองในธรรมบทเลยคาถาแรกมาจากเรื่องพระจักคุบาล คาถาที่สองมาจากเรื่องมัทกุนตลีซึ่งสองเรื่องนี้ใครยังไม่เคยฟังมีไหมเคยฟังจนอ่ะยังไม่เคยเหรเรื่องพระจักคุบาลกับมัทธะกุนตลีเนี่ยเจ้าคุณสุวิมลวัดมหมาธาตุเนี่ยนิมนต์ท่านเทศที่บทที่อุโบสถเทศเมื่อไหร่ก็ช่งางมโนปุพังขมาธรรมาวันหนึ่งโยมโทนได้ไหวโยมข้างธรรมาหลวงพ่อ ยมฟังมาสิบกว่าปีแล้วเทพแต่เรื่องเดียวชีหน้าเลยแล้วแกเข้าใจดีแล้วเหรอเรื่องเดียวเนี่ยจริงๆเลยคาถาเดียวเรื่องเดียวตลอดเลยนี่มรณะเทพหมดเลยกัเรื่องเนี้ยท่านมาแล้วภาพไปแล้ว เจ้ตามเฟอร์หลังจาก ง, งานสมิทถ้าจะเป็นคนแก่หน่อยท่านก็นจะต้ขึ้นพรมมาตีมาตาเปลี่นยนไปเลยนั่นแหละท่านปีเลยครับผมผมไม่ชอบฟังเรเื่องนี้เลยก็เปลี่ยนใครจะฟังนิทานมาถากุนตลีกับจักรคูบานนี่แหละฟังฟังจนกว่าจะเข้าใจใช่ไหมเอางั้นเล่าให้ฟังก่อนเอาคาถาที่หนึ่งเนี่ย เรื่องทั้งเรื่องก็คือมีภิกษุทั้งหลายที่พระเชตวันในโจทย์จานกันว่าท่านจักูบาลเป็นคนตาบอดขนาดตาบอดแล้วทําไมบรรลุพระอาหารหันต์ได้บรรลุพระอาหารหันต์แล้วทาไมยังตาบอดภิกษุทั้งหลายก็โจทย์จานกันต่างๆนาน า, นาเอมีทั้งโทษมีทั้งคุณอยู่ในผู้ผู้เดียวกันได้อย่างไรทําไมเมื่อท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วทาไมตาไม่ใส ไม่สว่างทำไมกลายเป็นคนตาบอดไปได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเล่าความเป็นมาของท่านจากคูบานจริงๆชื่อเดิมท่านชื่อวาปาละมีปุโรห์มีอุบาสกมีขหาหบดีที่เป็นกุดุมพีคือฐานะมั่งคั่งคนหนึ่งชื่อว่ามหาสุวรรณชื่อเขาอะนะมหาสุวรรณ มีภรรยาแต่ยังไม่มีบุตรเลยฐานะก็ดีแต่ไม่มีบุตรวันหนึ่งลงไปอาบน้ําในแม่น้ําคงคาที่เมืองพารามศรีนะแม่น้ําคงคาจุดที่อาบน้ํำง่ายคือเมืองพระราณสรีพออาบน้ํากลับมาเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทุกคนก็เลื่อมใสต่อต้นไม้ต้นนี้น่าจะมีลูกขาเทวดาทุกคนก็เอาผ้ามาโพกมาพันมาบวงสรวงเส้นไหว สักการะบูชาเท่าที่ตัวเองจะปรารถนาขออะไรมหาสุวรรณอาบน้ําเสร็จเดินผ่านกลับบ้านก็เหลือบเห็นต้นไม้ต้นนี้ซึ่งทุกทีก็เห็นนะ่ะแต่ว่ามันไม่คิดขึ้นเหมือนวันนี้วันนี้คิดขึ้นว่าเอต้นไม้ต้นนี้มีแต่คนมากราบมาไหว้น่าจะมีลุกข้าเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สถิตอยู่นี่แน่เอาล่ะเราจะลองขอลูกดูจะขอลูกดูก็เลยกลับไปบ้าน รีบตามคนใช้มาช่วยกันถากถางที่ใต้โคนต้นไม้ให้สะอาดสะอ้านแล้วเอารั้วมาล้อมเอาไว้เอาน้ําอบน้ําหอมมารพมเอาผ้ามาโปะมาพันเข้าแล้วก็นําเครื่องสักการะมาตั้งตั้งความปรารถนาที่ต้นไม้ว่าขอให้ข้าพเจ้าได้ลูกชายสักคนด้วยเถิดถ้าลุกข้เทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่สถิตยอยู่ที่นี้ขอประทานลูกชายให้ข้าสักคนหนึ่ง มาไหว้ทุกวันทุกวันผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ภรรยาตั้งครรภ์ครบสิบเดือนคลอดออกมาข้าบดีผู้นี้เลยตั้งชื่อลูกชายว่าปาละแปลว่ารักษาอย่างพยาบาลอย่างเงี้ยรักษาเหมือนกันป่าละนี่แปลว่ารักษาได้มาเพราะว่าไปแพาะรักษาต้นไม้ใหญ่ตัวเนี้ยไ ด, ไ ด, ได้ลูกชายมาก็เลยตั้งชื่อว่าปาละ อยู่มาอยู่มาอีกปีหลังท้องอีกได้ลูกชายอีกคนหนึ่งก็เลยชื่อปาละอีกแหละสองปาละก็เลยเรียกว่าปาละใหญ่ปาละเล็กเป็นมหาปาละกับจุลละปลาละพี่ชายชื่อมหาปาละน้องชายชื่อจุลละปาละพออยู่มาอยู่มาพ่อแม่เสียชีวิตหมดแล้วสองพี่น้องมีฐานะ มัง่งคั่งเดินค้าขายผ่านไปทางกรุงสาวัตถีน้องชายอยู่ที่บ้านพี่ชายเดินทางไปค้าขายในขณะที่เดินค้าขายสินค้าอยู่สังเกตเห็นผู้คนเดินเข้าแถวเป็นขบวนยาวไปทางหน้า<ม>วัดพระเชเทวัน<ม>ก็สงสัยว่าเอ๊ะผู้คนไปไหนกันบางคนถือทูกเทียนบางคนถือดอกไม้บางคนถือน้าปานะเครื่องของหอมต่า ง, างเวลานั้นที่วัดพระเชตวันกาลัง รุ่งเรืองถึงสุดสุดเลยใครไม่รู้จักว่าเชตวันมีน้อยนั้นคนกรุงสาวัตถีตกเย็นมาก็แห่แห่นกันไปฟังธรรมเทศนาของพระพุเทธเจ้ามหาบาลเห็นเข้า <c oughs> ก็เลยเข้าไปถามมหาปาร ะ, ะมหาปาระสนจุลลาปาระเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มาเห็นก็เลยเข้าไปถามอุบาศก พ, พูดถึงว่าพวกท่านพากันไปไหนกันเมื่อทราบความจริงแล้วอ่ะเราก็จะไปดูสักหน่อยว่ามีอะไร คนทำไมไปเยอะขนาดนี้เดินตามต้องไปนั่งท้ายท้ายฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าในขณะที่ฟังธรรมเทศนาจบนั้นนหะท่านได้ความคิดขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าสังขารทั้งหลายหรือสรรพสิ่งในโลกนี้มีเกิดขึ้นแล้วย่อมมีความเดือบมีความดับไปเป็นธรรมดาซึ่งธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงในวันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเป็นอนุปุพีคาถาสรุปลงด้วยอริยสัจ <c oughs> เลื่อมใสยอยากจะบวชพอพระพุทธเจ้าแสดงพระธรรมเทศนาจบก็รีบน้อมตัวเข้าไปหน้าพระพักทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอมีใครที่จะต้องบอกลาบ้างไหมพ่อแม่พี่น้องจะต้องบอกลาก่อนเพราะว่าบุคคลผู้จะบวชในศาสนานี้ต้องได้รับคาอนุญาตจากญาติเสก่อนท่านก็เลยกราบทูลว่าข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้ามีน้องชายคนหนึ่ง แล้วจะรีบไปกลับไปไ ป, ไปลาน้องชายก่อนเท่านั้นแหละก็รีบเดินทางกลับมาที่พารานสีมาลาน้องชายบอกว่าน้องทรัพย์สินทุกอย่างทั้งของเธอและของพี่พี่ขอยกให้เธอทั้งหมดน้องชายก็ถามอ้าวแล้วพี่จะไปไหนล่ะพี่จะไปบวชแล้วโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ไ, ไ, ดไปบวชได้ยังไง พี่อยู่เนี่ยพี่เป็นเหมือนทั้งพี่เป็นเหมือนทั้งพ่อเป็นเหมือนทั้งแม่ดูแลข้าพเจ้าอยู่เมื่อพี่ไปบวชแล้วข้าพเจ้าจะอยู่ได้อย่างไรถ้น้าเจ้าอยู่ไปทําการค้าขายไปเหมือนเดิมนั่นแหละพี่จะไปบวชแล้วน้องอ้อนวอนยังไงยังไงพี่ก็ไม่ยอมจะไปให้ได้น้องก็ไม่รู้จะทําทไงร้องให้เ ส, ส, สือึกสะอื่นอ้อนวอนอย่าไปเลยอย่าไปเลยไม่สนใจละภูเจ้าบอกให้มาลาขล า, ลาแล้วเนี่ยจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตไม่รู้่ <c oughs> ก็รีบเดินทางลงจากบ้านกลับมาที่พระเชตวันขอบวชพระพุทธเจ้า ก, ก็ให้บวชพอบวชแล้วเนี่ยท่านอยู่ในวัดพระเชตวันถึง5พันษาศึกษาเร้าเรียนฟังธรรทำปฏิบัติหลายอย่างจนได้ครบห้าพรรษาละเอเราจะบวชอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆก็การะไรอยู่ก็เลยเข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าในศาสนานี้มีธุระอยู่กี่อย่าง พระพุทเจ้าตรัสบอกว่ามีสองอย่างคือคันถัตธุระและวิปัสนาธุระท่านคิดดูแล้วก็เลยเอาละเรานี่ไม่สามารถจะทำคันถัตธุระเนี่ยให้บริบูรณ์ได้เพราะวัยตอนนี้ก็วัยแก่มากแล้วกลางคนขึ้นมาแล้วขอทาวิปัสนาธุระแล้วกันให้พระพุยเจ้าตรัสบอกกรรมฐานโดยการปางรบความเกิดและความดับก็คืออุทยพยากรรมฐานนั่นเอง ให้พี่นาเห็นว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปพอได้กรรมฐานแล้วก็ชวนภิกษุทิ้งร่วมสำนักได้ทั้งหมด60รูปเดินทางจากกรุงสาวัตถีออกไปห่างถึง120ยโยต์ไปถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งชาวบ้านเห็นก็เลยนิมนต์ไว้บอกว่าพวกท่านหาที่ส ป, ปายะประพฤติธรรมนิมนต์อยู่ที่นี่เถิดถ้าพวกท่านอยู่ที่นี่แล้วเนี่ย สถานที่สปายะก็ดูเหมาะดีด้วยทั้งพวกญาติโยมทั้งหลายจะได้รักษาศีลจะได้ถวายทานจะได้ฟังธรรมท่านพิจารณาเห็นว่าได้ประโยชน์หลายด้านจึงรับไว้แล้วก็อยู่ประจําที่นั่นญาติโยมเขาพากันไปแพร่ถางจัดทําที่อยู่ที่อาศัยให้จำพรรษาพออยู่แล้ววันเข้าพรรษาท่านมาตกลงกับภิกษุที่ติดตาม60รูปว่าการที่เรามาอยู่ที่นี่ท่านจะมาอยู่ อยู่เป่าๆอยู่ไปเฉยๆก็ไร้ประโยชน์เอาละพวกเราจะมาเริ่มปางลบความเพียรกันเอาจริงเอาจังแล้วก็ถามกันว่าเ ธ, ะะเธอจะปฏิบัติอย่างไรระหว่างวันษาเนี่ยภิกษุรูปนี้ก็บอกว่าข้าพเจ้าจะทําอย่างนี้อย่างนี้นี้ไล่มาเลื่อยไล่ามาเรื่อยไล่ามาเลื่อ ย, อ ย, อยจนมาถึงท่านทุกคนก็ถามท่านว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรท่านก็บอกว่า ผมจะปฏิบัติอยู่ตลอดพรรษาด้วยอิอริยาบทสามเท่านั้นเว้นการนอนยืนเดินนั่งเรียกข้อปฏิบัตินี้ว่าเนสัชิกะทุดงเนสัชิกะแปลว่าไม่นอนไม่นอนเนนมาจากนี้แปลว่าปราศจากไม่นอนหลับแต่ว่าหลังไม่แตะพื้น จะหลับท่าไหน ก, ก็ช่างก็ช่างก็คือไม่นอนเอาเอนหลังแตะพื้นนั่นเองปฏิบัติเพ่งคัดตลอดพรรษาพอใกล้วันออกพรรษาท่านไม่นอนเนี่ยเมื่อไม่นอนนั่งอยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้นอนอิ่มหลับบ้างตื่นบ้างก็เอใกล้ๆออกพรรษาแล้วรู้สึกว่าตาท่านจะเจ็บเริ่มตาเริ่มเสียมีน้ำตาไหลอ ย, อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืน พิสูุทั้งหลายเห็นเอออาจารย์เป็นอะไรเขาไปถามอาจารย์เป็นอะไรอาจารย์ก็บอกอ๋อลมมันเสียดตาลมพัด ต, ตาน้ำตาไหลแสบตาจนถึงวันออกพรรษาวันออกพรรษาไปออกปินทบบาทลูกศิษย์ลูกหาก็ามาตามท่านบอกว่าไปก่อนเถอะแล้วอาจารย์จะตามไปพิสูุทั้งหลายไปกลับมาก็ไม่เห็นท่านตามไป พตาท่านเริ่มจะมืดมิดมองแทบไม่เห็นแล้ววันรุ่งขึ้นบาลีท่านว่าพอล่วงป่วงมัชิมยามไปถึงปัชชิมยามตากับกิเลสของท่านเนี่ยดับไปพร้อมกันตาบอดสนิทมืดไปเลยพร้อมกับกิเลสดับไปพร้อมๆกันเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นละ ตาคับกิเลสดับพร้อมกันเอาไหมกิเลสหมดตาบอดด้วยเอาไหมเ อ, เอาเหรอมั้ยไม่เอาแล้วคนไม่เอามีแล้วเอาถ้าหมดกิเลสแล้วจะตาบอดด้วยอย่าเอาดีกว่าใช่ไหม <c oughs> ให้ตาบอดอย่างเดียวเหรอกิเลสไม่ต้องดับเ ห, อหเบเบเรอ น, นั่นแหละเป็นภาระยิ่งใหญ่ ดังนั้นพอตาท่านบอดสนิทจริงๆก่อนจะตาบอดเนี่ยนะเรื่องก็มีอยู่เหมือนกันว่าในตำบล น, นั้นนะ่ะมีหมอผู้หนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคตามากที่สุดชื่อเสียงโด่งดังแล้วหมอผู้นี้ก็มาเข้าประวารินาไว้ตั้งแต่วันเข้าพรรษาว่าถ้าพวกท่านเป็นโรคตาอย่างไรก็บอกข้าพเจ้าได้จะรักษาถวายรักษาให้เลยไม่คิดค่ารักษาขณะที่ท่านมหาปาระภิกษุรูปนี้เนี่ย เริ่มเจ็บตาเนี่ยลูกศิษย์ก็ไปบอกหมอมาทีหนึ่งแล้วหมอก็ปรุงยาให้หมอคนนี้เก่งมากพอฟังอาการก็รู้เลยไม่ต้องมาไปดูอ่ะเป็นยังไงยังไงฟังการรู้เลยว่าจะต้องปรุงยาอะไรถวายก็ไปเคี่ยวยาสําหรับหยอดเขาเรียกว่ายานัดรักษาตาต้องหยอดทางจมูกหมอโบราณก็หุงยานัดจากน้ํามันจากอะไรต่างมีเครื่องผสมยาสมุนไพรหุงเสร็จแล้วก็ส่งมาถวายบอกว่าขอให้ท่าน นัดหยอดเข้าทางชมูกทีนี้ยาชนิดนี้ยาจะนัดด้วยเป็นน้ํามันหยอดเนี่ยมันไม่เหมือนยานัดเป็นผงเนี่ยยาผงเปาพูดเข้าไปท่าไหนมันก็เข้าได้แต่ยาหยอดเป็นน้ําเนี่ยมันต้องนอนหยอดและทีนี้ท่านอธิษฐานว่าไม่นอนตลอดชีวิตในเวลาจะหยอดท่านก็นั่งแง น, น่าเนี่ยหยอดมันแงนหน้าได้นานเท่าไหร่มันก็ไม่นาน ปกติหยดแล้วต้องนอนอยู่งั้นเลยนอนให้ยามาค่อยๆซึมเข้าไปสู่เส้นประสาทาต่างๆเพื่อจะรักษาโรคตาแต่เมื่อเ ง, งอยหน้านานๆไม่ได้ท่านก็ก้มลงมาก็ลมาน้ํายางก็ไหลย้อนคืนหยอดออกมาทางจมูกเจ็ดวันผ่านไปหมอก็ถามถึงทุกวันทุกวันว่าอาการท่านเป็นอย่างไรเขาบอกว่าอาตามาห ย, ยอดยาแล้วหยอดยาแล้วพอหลังก่อนวันท่านจะ สาบสนิทฮะหมอบอกว่ารักษายากดือ้อผู้ป่วยดือ้อบอกให้นอนหยอดท่านก็ไม่ยอมนั่งหยอดอยู่รักษาไม่หายหรอกต่อไปจะไม่รักษาท่านอีกแล้วหมอบอกคืนนะไม่รักษา <c oughs> พอหมอบอกคืนไม่รักษานั่นแหละท่านก็เลยตัดสินใจเด็ดขาดว่าขณดหมอยังบอกคืนไม่รักษาแล้ว คุยกับตัวเองว่าจะเห็นแก่ตาหรือจะเห็นแก่ธรรมะตัดสินใจว่าเห็นแก่ธรรมะไม่เห็นแก่ตาจึงยอมที่จะให้ตาบอดเพื่อจะรักษาทรรับดังนั้นจึงบอกว่าวันที่ท่านหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์เนี่ยตาก็บอดไปพร้อมๆกันหมดกิเลส ด, ด้วยตาบอดด้วยปุ๊บไปพร้อมกันเลยดังนั้นพอตาบอดแล้วเนี่ย ออกกรษาพวกภิกษุทั้งหลายก็จะต้องเดินทางกลับมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุนั้นก็ชวนท่านว่าอาจารย์พวกเราจะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าพวกเธอทั้งหลายไปเถอะอย่าพางเราไปด้วยเลยเป็นพางละเดินทางร้อยยี่สโยกกว่าจะถึงกรุงสาวัตถีเนี่ยคงนานเกินไปพวกเธอไปเถอะเราจะอยู่ที่นี่แหละภิกษุทั้งหลายก็เป็นห่วง ท่านก็บอกไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงอาจารย์ลูกศิษย์ทั้งหมดพากันเดินทางกลับแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังแล้วไปหาน้องชายคือจุลกาลเล่าความจริงให้จุลกาลฟังจุลกาลก็เป็นห่วงซึ่งเวลานั้นจุนลกาลก็แต่งงานมีครอบครัวมีลูกชายแล้วลูกชายชื่อว่าปาลิตะพ่อชื่อปาละ ลูกชายก็ชื่อปาละเหมือนกันแต่ลงอีตาปัจจัยมีอีอาคมตะาปัจจัยใหชื่อปาละอยู่นั่นน่ะน้องชายเป็นห่วงพี่ชายมากก็เลยเอ๊ะจะทำอย่างไรก็เลยเอางี้แล้วกันข้าพเจ้ามีลูกชายคนหนึ่งกำลังเป็นหนุ่มน้อยจะส่งหลานนี่แหละไปรับลุงดีไหมมาปรึกษาพิสูจทั้งหลายพิสูั้งหลายเออดีดเอ๊ แต่จะให้ไปอย่างนี้เลยไม่ได้หรอกเพราะระหว่างทางมีอันตรายมากบวชเป็นสามเณรสักกอดค่อยไปดีไหมจะได้ไม่มีอันตรายมากอย่างน้อยเป็นสมณะไปไหนมาไหนโจนก็จะได้ไม่ฆ่าก็เลยให้บวชเป็นสามเณรก่อนเมื่อบวชเป็นสามเณรปาลิตะแล้วก็ชี้ทางบอกให้ว่าไปถึงหมู่บ้านนั้นเลี้ยวไปทางนี้ทางนี้ทางนี้นไปรับลงกลับหลานชายไปถึงแล้วก็นํา หลวงลุงเดินทางกลับขณะที่เดินทางกลับมาถึงระหว่างทางซึ่งไม่กี่วันเดินเนี่ยมันยังไม่ถึงครึ่งทางหรอกถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งสามเณรได้ยินเสียงเพลงของหญิงสาวบ้านหนึ่งร้องแว่วมาไม่เป็นเพลงเกี่ยวข้องกับความทุกข์ความดับความเกิดอะไรนะเป็นเพลงเขาร้องทั่ ว, วไปเขาเก็บผักเก็บฟืนอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านร้องเพลงไปเก็บไป สามเณรเข้าใจคึกขนองกำลังเป็นหนุ I said, I ่มน้อยเนี่ยเสียงสาวร้องเพลงบอกลงลุงลุงลครับวงลุงครับรอผมแป๊บหนึ่งครับลุงลุงก็ไม่รู้ว่าอะไรให้ลุงลุงนั่งรออยู่ใต้ต้นไม้ตัวเองหายแวบไปไปหาสาวครับไปหาสาวตอนแรกอะลุงลุงก็ได้ยินแต่ว่าไม่ได้เอะใจว่าอะไรได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงพอสามเณรหายแวบไปเสียงร้องเพลงหาย Hey. หลานเราเนี่ยคงจะไปหาสาวแน่เลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงร้องเพลงอยู่พอสามเณรไปหายเสียงร้องหายเงียบไปซะและ้วสงสัยสามเณรจะศีลวิบัติซะแ ล, ะ <c oughs> แล้วนะพอมาถึงตรงนี้แหละที่บาลีท่านพรนนาว่าไม่มีเสียงใดจะเป็นที่ชอบใจของบุรุษเท่ากับเสียงสตรีและตรงกันข้ามเหมือนกันก็ไม่มีเสียงใดที่จะเป็นที่ชอบใจสตรี เท่ากับเสียงของบุรุษเพราะจะยินเสียงเนี่ยมันต้องหันไปดูต้องหันไปมองต้องให้ความสนใจอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น <c oughs> สามเณรแอบไปมีอะไรกับหญิงคนนั้นว่าทําไมจะ ง, ง่ายขนาดนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> กลับมาบอกหลวงลงุลงมาครับหลวงลุงพวกเราไปกันต่อได้แล้วหลวงลงุลงบอกว่าสามเณรเธอศีลบิบัตแล้วใช่ไหมสามเณรนิ่ง หลวงวุงรู้ได้ยังไงนิ่งหลวงลุง่าถามถึงเลยเราเดินทางไกลรีบไปกันดีกว่าหลวงวุงบอกว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเดินทางร่วมกับคนชั่ว เ, เธอไม่ต้องพาหลวงลุงไปหรอกเป็นตายอย่างไรก็จะไม่เดินไปพร้อมกับเธอที่เป็นผู้ศีลบัตรแล้วสัมเมน เกิดสังเวกใจโอ้เพราะเราแทๆ้ๆเราตั้งใจจะพาหลวงลุงกลับกลับมาทําให้หลวงลุงกลับไม่ได้เสแล้วสะดุดระหว่างทางอายน้อยใจเสียใจไม่รู้จะทำยังไงวิ่งหนีไปเลยแล้วหนีไปไหนไม่รู้บาลีก็ไม่ได้กล่าวถึงปารีต่านี่อีกเลยความเคร่งเครียดแล้วก็เคร่งคลัตของท่านปาระตอนนี้ได้ชื่อว่าจัคคุบาลแล้วตั้งแต่ตาบอด ใครเขาเรียกว่าปาลไหนปาละนั่งไงป า, าละรักษาตาบอดนั่งไงเขาก็เลยเรียกว่าจักรูบาลเปลี่ยนจากมหาบาลเป็นจักรคูบาลจนเท้าสกาเทวราชร้อนรุ่มว่าโอ้เรื่องอะไรกันนักเห็นเหตุการณ์เข้าว่าโอ้เราไม่ช่วยไม่ได้สแลพิกสูผู้เคร่งคัดขนาดนี้ผู้มีคุณสมบัติขนาดนี้ถ้าเราไม่ช่วยเหลือศีรษะเราคงแตกเจ็ดเสี่ยงแน่ เ ท, ท้าสกฤตเทวราชแปลงร่างวับวงมาเป็นตาพราหมณ์แก่ๆเดินผ่านมาใกล้ๆท่านจักขุบาลได้ยินเสียงเท้ทาเดินก็ถามว่านั่นอุบาสกใช่ไหมนะ่ะถามว่าท่านเป็นผู้ชายใช่ไหมอุบาสก็ตอบว่ า, อวาขอรับข้าพเจ้าเป็นผู้ชายอุบาสกก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าจะไปที่ไหนบอกว่าอัตามาภาพจะไปเมืองสาวัตถีแล้วโยมน่จะไปไหนล่ะ ท้าวส ก, ก, ก่าเขบอกว่าข้าพเจ้าก็จะไปเมืองสาวัตถีเหมือนกันอ๋อท่านจะไปเมืองสาวัตถีใช่ไหมงั้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าเลยพระเถระก็บอกว่าอย่าเลยโยมอรรมาตาบอดถ้าไปพร้อมกับท่านก็จะเป็นภาระกับท่านเปล่าๆท่านไปคนเดียวเถิดเดี๋ยวธรรมาจะค่อยๆไปท้าวส ก, ก่าอ้างเหตุผลอ้างเหตุผลที่จักคุบาลปฏิเสธไม่ได้ว่า พระเถระขอรับถ้ากับผมมีโอกาสได้เดินทางร่วมกับท่านเนี่ยผมน่าจะได้ทําบุญกิยาวัตถุสิบอย่างได้อย่างหนึ่งได้เช่นเดินทางร่วมกับท่านผมจะได้ถวายอาหารท่านได้ผมจะได้ทําบุญพอพระเถระเห็นว่าอ๋อผู้นี้พูดเนี่ยไม่ใช่คนพาลเนี่ยเป็นบัณฑิตเนี่ยคำพูดแบบนี้เป็นคาพูดของบัณฑิตไม่รังเกียจแม้จะเดินทางร่วมกับคนตาบอดกับเห็นว่าจะได้บุญต่างหาก เอาละถ้าอุบาสกว่าอย่างนั้นอัตมาก็จะเดินไปด้วยเทา้ากสกะเทวราชจับปลายไม้เท้าพระเถระย่นปัทภีเดินชั่วยามถึงพระเชตวันเลยยามเดียวภายในช่วงสามชั่วโมงเนี่ยถึงกรุงสาวัตถีถึงพระเชตวันเลยเพอถึงหน้าวัดก็บอกว่าท่านขอรับถึงวัดพระเชตวันแล้วเท่านั้นแหละพระเถระรู้ทันทีว่าคนที่นําทางเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดา ต้องเป็นท้าสากะาเทวราชแน่เพราะส่งถึงวัดแล้วทาสากะก็บับหายไปพิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าท่านจักขุบาลมาถึงแล้วภิกษุบริวารที่ตามไปหกสิบรูปออกมาต้อนรับพาไปที่พักหลังจากนั้นไม่นานนักข่าวความโดดเด่นของท่านจักขุบาลก็กระชอนไปทั่วว่าไม่เห็นแก่ตาไม่เห็นแก่สุขภาพแต่รักษาธรรมจนได้บรรลุพระอรหันต์ได้ อย่างนี้ท่านเรียกว่าสละอวัยวะเพื่อรักษาธรรมาการสละมีเยอะนะสละทรับเพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมครับทุกวันนี้สละอะไรบ้างสละทรับเพื่อรักษาชีวิตไหม สลสักษาสรัพย์เพื่อรักษาชีวิตก็คือเวลาโรคภัยใข้เจ็บเกิดขึ้นอย่าเสียดายซับครับต้องเสียสลัดต้องยอมจะสละทรัพย์เพื่อยารักษาชีวิตรักษาอวัยวะไว้ได้ถ้าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งจะต้องตัดถ้าไม่ตัดก็มันลามไปเรื่อยต้องตายจะต้องสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตครับแต่ถ้าจะรักษาทำแม้ชีวิตก็ควรสลัถ้าเป็นเราก็ถ้าท่านเน่ยเป็นโรคกระเพาะ ไปหาหมอหมอบอกว่าท่านศึกดีกว่าถ้าเป็นพระรักษาไม่ได้เพราะอดข้าวเย็นนี่ยาทุกอย่างต้องมีหลังอาหารเย็นท่านอาจจะลาสิกขามารักษาโรค ก, ก็ได้ใช่ไหมเขาเห็นมาหลายรูปแล้วลาสิกขาเลยครับถ้าไม่ลาสิกขารักษาโรคไม่หายครับเพราะอาหาร อ, อยาเขาสั่งให้หลังอาหารเย็นถ้าเป็นพระอยู่ไม่ได้เพราะฉันข้าวเย็นไม่ได้ฉันข้าวเย็นไม่ได้ก็ฉันยาไม่ได้ ไม่มีไม่ ม, ม, มีงดเว้นสําหรับพระอาพาธฉันไม่ได้เหมือนกันศีลไม่ไม่มีงดเว้นนอกจากว่าพระจะละเมิดศีลเราได้มียาเขาสั่งมาหลังอาหารเย็นก็ฉันข้าวเย็นซะก่อนคย <c ười> ฉันยาก็ได้ไม่เป็นอะไรแต่ก็ผิดอาบัติไงต้องอาบัต์ฉันกับน้ําปันะก็ได้ดื่มน้ําเยอะๆก็ได้ หมอเขาทุกวันนี้เขาก็รู้อยู่พอสั่งยามาแล้วมียาหลังอาหารเย็นและก่อนนอนอย่างเนี้ยหมอเขบอกว่าท่านต้องดื่มน้าเยอะๆนะสั่งยาแล้วดื่มน้าเยอะๆเพื่อไม่ให้กัดกระเพาะดังนั้นพอเดินทางไปถึงภิกษุก็โจทย์จานอย่างนี้แหละ ว, ว่าท่านทําไมที่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าเลยตรัสอดีตของท่านไว้ด้วยว่าแม้แต่เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังตาบอดเนี่ยนะเพราะว่าท่านเคยทํากรรมหนักมา ชาติก่อนเคยเป็นหมอตาชาติก่อนเน่ะเคยเป็นหมอตาเป็นหมอที่รักษาเรียกว่าใครเป็นโรคตาอะไรมาเนี่ยให้ยาขนานเดียวครั้งเดียวเท่านั้นตาหายยังก็ปิดทิง้งไม่ต้องให้ยาซ้ำให้ครั้งเดียวหายสนิทเลยวันหนึ่งเดินไปพบยายคนหนึ่งเห็นว่ามีโรคตาอยู่ก็เลยอาสาจะรักษา คนยายเดี๋ยวผมจะรักษาให้ยายคนนั้นโอ้ยดีใจบอกว่าจะมียาจะมีหมอรักษาเอ้ยรักษาให้ยายหน่อยเธอะลูกเอ้ยถ้าหายแล้วทั้งยายทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยจะยอมเป็นทาสรับใช้เสนอให้เองนะไม่ได้ขอเลยเสนอให้เองก็เอานถ้ายายคิดว่าอย่างนั้นก็แล้วไปก็รับไว้คิดว่าจะรักษาไม่หาย ยายนั่นก็พูดไปนี่ว่าเขารักษาไม่หายเพราะกี่หมอกี่หมอมาแล้วก็รักษาไม่หายหมอทํายามาให้ให้หยอดนัดครั้งเดียวเองครับหายเลยครับตาที่ฟ้าฟางมัวอยู่แจ่มใสขึ้นมามอ ง, มองเห็นทุกอย่างเท่านั้นแหละอุยตายเราไปแอบตกปากรับคําหมอไว้แล้วว่าถ้าตาหายจะยอมเป็นท่านรับใช้เอาทีนี้เราทั้งครอบครัวต้องไปเป็นค่าท่านรับใช้หมอแน่เลย โอยไม่ได้แล้วเราต้องแก้งบอกว่าไม่หาย <c oughs> แก้งบอกว่าไม่หายจะได้ไม่ต้องไปเป็นทาดรับใช้อีกวันหนึ่งหมอเดินผ่านมาถามว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างโอ้มันยังไม่หายเลยหมอเอ้ยยังฟางยังฟ้าฟางอยู่เหมือนเดิมวันก่อนเป็นอย่างไรวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนั้นหมอชำนาญมากเลยนะรู้ทันทีว่าคำพูดเนี่ยเป็นคำโกหกเรารู้ว่าหายแล้ว แต่คนป่วยบอกว่ายังไม่หายเนี่ยโกงหกชัดๆเลยเนี่ยในสมัยนั้นเป็นสมัยที่ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าครับจิตปทุสร้ายเกิดขึ้นครับเอาล่ะเมื่อไม่อยากหายก็อย่าหายซะเลยไปปรุงยามาใหม่ครับให้หยอดยายก็หยอดอีกเลยครับให้ายาอะไรมาหยอดทีนี้บอดสนิทเลยครับ <c oughs> <c oughs> ยาทําลายตาครับตอนนี้ครับไม่ใช่ยารักษาตามาหยอดครั้งที่สองตาบอดสนิทเลยหมอไหนก็รักษาไม่ได้ทีเนี้ย ด้วยวิบากกรรมนี้แหละครับด้วยวิบากกรรมนี้ท่านก็เลยเกิดมาตาบอดครับแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังตาบอดดังนั้นคาถานี้ทึาบอกว่าเมื่อจิตถูกโทษประทุษร้ายแล้วนะครับบุคคลมีจิตประทุษร้ายแล้วมีจิตเสียแล้วจะกล่าวหรือจะทําก็ตามทุกย่อมติดตามเขาไปเหมือนทุกขของพระจักขุบาลครับที่ตาบอดเนี่ยเพราะว่า จิตประทุดสลายจิตร้ายใจเสียเลยปรุงยาทําให้เขาตาบอดนี่ครับแล้วมันเกิดมาชาตินี้ก็เลยทุกข์ก็ต้องติดตามอย่างนี้ติดตามเมื่อรอยเท้าไอเหมือนล้อกเกวียนหมุนตามรอยเท้าโคอย่างเนี้ยอันนี้คาถาคาถาแรกนะส่วนคาถาที่สองเนี่ยเล่าไปหลายทีแล้วล่วละเรื่องพระมัทธคุณดลีนะไอไม่ใช่พระนะเรื่องมัทธุณดลีที่สาวถีอีกแหละครับสาวถี มีคุณุมพีพู้หนึ่งฐานนะมางคั่งเหมือนกันนี้แต่ว่าเป็นคนขี้เหนียวครับ <c oughs> เหนียวเหนียวไม่ใช่เหนียวธรรมดานะ <c oughs> ถ้าเหนียวไม่ให้คนอื่นถ้าเราเห็นเศรษฐีขี้เหนียวในบ้านเรานะไม่ให้ใครครับแต่กับสําหรับทุกคนในครอบครัวเนี่ยให้ทุกอย่างอะไรอะไรก็กระซิบมาแอบกินกันซื้อมาใช้มากินกันอยู่ในครอบครัวแต่ไม่เผื่อแผ่ผู้อื่นแต่คนนี้เหนียวกว่า น, นั้นครับ <c oughs> แม้แต่ทุกคนในครอบครัวก็ไม่ให้อะไรเลยครับ มีลูกชายอยู่คนเดียวโตเป็นหนุ่มไปไหนมาไหนเพื่อนก็ล้อเลียนลูกชายว่าอะไรพ่อรวยขนาดนั้นเครื่องประดับสักอย่างก็ไม่มีสร้อยก็ไม่มีแหวนก็ไม่มีกําไลข้อมือข้อเท้าไม่มีทั้งนั้นเลยไปไหนไปไหนเพื่อนเพื่อ น, เ, อนเล่นด้วยกันเขาก็ล้อเลียนดูสิไอ้เจ้านั้นพ่อมันก็รับจ้างรายวันยังมีสร้อยใส่เลยดูสิไอ้คนนูน้นพ่อก็จนจน มีแหวนใส่เลยนี่แกอะไรพ่อเป็นเศรษฐีไม่มีเครื่องประดับสักอย่างกางเกงก็ขาดขาดวิ่นวิ่นเสื้อก็เก่าเก่าปะแล้วปะอีกเศรษฐียาจบแบบเนี้ยอายเพื่อนมาเล่าให้พ่อฟังทุกวันทุกวันพ่อก็เอานานเข้านานเข้าเอลูกเราจะอายคนอื่นเขาจริงๆนะเอาล่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวพ่อจะหาเครื่องประดับให้สักอันเอาก้อนทองมาหนึ่งก้อน ที่เก็บสะสมเอาไว้มีทรัพย์สินมากนี่นะไปหาช่างหาช่างทองบอกว่านี่นายช่างข้าพเจ้าจะทําเครื่องประดับให้ลูกชายสักหนึ่งอย่างให้ช่างดูซิว่าของเนี้จะทําอะไรได้บ้างช่างเห็นก้อนทองอล้อ้ท่านเศรษฐีทองก้อนนี้ทำสร้อยก็ได้ทํากําไลก็ได้ทําแหวนก็ได้ท่านจะให้ทําอะไรล่ะไม่ตอบว่าทําอะไรถามช่างว่า ค่าทําเท่าไหร่ล่ะท่านช่างว่าค่าทำหนึ่งพันกหาปณ ะ, ะครับโอ้แพงจังเลยงั้นขอขอคืนขอคืนขอคืนเอาก้อนทองคืนแล้วก็เดินหาช่างคนใหม่อีกเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจะไม่มีใครทําำละไปที่ไหนก็แพงแพงมาทําเองครับมาค้อนฟัดโป๊กโป๊กโป๊กป ก, ปกอยู่ในบ้านนั่นแหละได้มาเป็นตุ้มหูสองข้างเกี้ยเกี้ยงที่วาดรูปให้ดูวันก่อนอะ่ะเห็นไหม ไปดูมายังะ่ะดูเม็ดลำไ ย, ายมายังดูเมยย็ดมลำไ ย, ยนั่นแหละเหมือนอย่างนั้นแหละเป็นเป็นเหมือนอะไรนะั้นเขาเรียกว่าเงินเงินสมัยก่อนเขามีเงินเงินเขาเรียกเงินเม็ดอะไรนะฮะดวงพดดวงอ่า เหมือนตัวด้วงมันงอง อ, งอตัวอย่างนั้นเลยทีนี้มัทธกุณลีเนี่ยป่วยพ่อก็ไม่ไม่ยอมรักษานายวารัตสุดท้ายเนี่ยได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าเมื่อเลื่อมใสพระพุทธเจ้าตายไปก็ไปเกิดบนสวรรค์ <c oughs> ดังนั้นในคาถาที่สองจึงบอกว่ามณส า, าเจผสสันเนนะเนี่ยมีใจเลื่อมใสแล้ว มีใจผ่องใสแล้วมีใจเบิกบานแล้วจะพูดหรือจะทําก็ตามความสุขครับสุขขังอนุเวติเนะี่ยความสุขย่อมตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวไปเหมือนเงาติดตามเงาต้องติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามไปอนุปายินีมาดูนะมาจากอนุบทน้า อ น, นุปะยีนีนะ้เ <c oughs> น, นี่ยอนุบทหน้าแล้วก็ปะบทหน้าอีธาต์อีธาต์แล้วก็ปัจจัยก็คือยุ ป, ปัจจัยและอีนีปัจจัยไม่ใช่ยุไม่ใช่ยุ ป, ปัจจัยเป็นเป็นหน้าปัจจัยและอีนีปัจจัยอีทีลิงอีนีปัจจัยในอีทีลิงอ น, นุปะ ล ي, นะ้อีนะอนุโวหน้าปะโวหน้ า, ي, าอีธาตอีนีปัจจัยในอีทีลิงอีมาเป็นอาญาโดยท่านบอกว่าอย่างนี้วุตที่อีธาตนะ์เป็นเอแล้วก็อาเทศเอเป็นอาญาอาเทศเอเป็นอาญาอีเลยมีรูปเป็นอาญาอ น, นุปะบวกอาญาเลยเป็นอนุปายะลงอีนี้ปัจจัยในอีทีลิงเลยเป็นอนุปายี่นี แปลว่าติดตามไปทุกที่ติดตามไปทุกที่อนุปายินีเหมือนเงาติดตามไปทุกที่ททครับอนุปะบวกอีธาต์าจจอีนีปัจจัยครับณ ป, ปัจจัยลงมาก็ได้ในลงในหลังจากธาต์แต่ในที่นี้ลงอินีปัจจัยเลยง่ายอีธาต์อินีปัจจัยอินีอิทธิลิง พอดีวันนี้อาจารย์ถูกถามหลายคาเกี่ยวกับพวกวุฒิพูมน้ท่านก็นไม่ชัดเจนก็เลยฝากผมมาลองให้ามอาจารย์ ล, ยลองภูมิผมว่าว่าอาุ่ทําไมถึงมีคำว่าพืชแล้วก็ทไมจะมีทุกมีทีฆ่าทาไมถ้มีวิ ก, การวนี้มันใช้ตัดยัง ไ, ไงเลยครับทา่านท่านอยากให้ถาม่เอาไว้ชัดเจนผมไม่ชัดเจนวิธีนี้แสดงไว้ในที่ไหน ที่ค่ารักษาวุฒิอะไรแสดงไว้ที่ไหนครับตั้งแต่สนธิครับเหตุผลของสนธิท่านอ้าง เ, เหตุผล3มอย่างคือ1 1ทําให้อักษรเหลือน้อย2ให้สลัส ล, ลวยออกเสียงง่ายและ3รักษาฉันครับถ้าท่านต้องการ3อย่างเนี่ยท่านก็ทําครับถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องทํา วัตถีทีฆานี่ก็จะทำหรือไม่ทำไว้ช่างครับเป็นยาวครับแต่ว่ารุ่นก็ทำจากช่างในเป็นยาวเวลาใช้ไม่ใช่วัตถีเแปลว่าให้เจริญครับครับคว่าให้เจริญก็คือทาให้อักษรฐานเดียวกลายเป็นอักษรสองฐานครับแล้วที่าครับทีาก็ทำเอาก็ยังไงทีฆาน่ะถ้าทีค่าทาอะไรเป็นอะไรก็รู้อยู่แล้วตามชื่อ ถ้าท่านต้องการสามอย่างไงต้องการให้มันออกเสียงง่ายท่านก็ทําใช่ไหมเขาไม่ได้บังคับให้ทํานะครับ<อ>ต้องการให้มันออกเสียงง่ายท่านก็ทําถ้าต้องการออกเสียงยากก็ไม่ต้องทําถ้าไหนที่ที่ค่าหรือระแล้วแต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วมันออกเสียงง่ายกว่าท่านก็ทำไงแล้วแล้ววิการนะครับเหมือนกันครับจะทําวิธีไหนก็ช่างเหตุผลการทําทั้งแปดเก้าวิธี น, นั่นแนหะคือหนึ่งต้องการให้อักษรมันน้อยลง 2. องต้องการให้มันออกเสียงง่ายสลัดสลวยใช่ไหมแล้วก็ 3. เพื่อจะรักษาชั้นในคาถาเขาก็ทำมีเหตุผล3อย่างที่จะทำครับจะทำด้วยวิธีไหนก็นแล้วแต่จบประโยคไหนอาจารย์น่ะประโยคเจ็ดครับบอกให้มาเรียนอา <c oughs> จารย์มาเรียนกับผมมไหมผมยอมลับเลยเขมพูดประโยคไปพวกบาลีใหญ่มีที่มาที่ไปชัดเจนนี้ นนชวนอาจารย์มาเรียนเนลยได้คำหนึ่งท่านให้ถามว่าชามังชามังชามังตงัวไหนชามังก็ชอชอกเชยอ่าชอเชยแล้วทำไมแล้วก็เพราะว่าไม่อยู่เนี่ยอันไฟไม่อยู่เพราะว่า <c oughs> มาจากธาตุชามันตะครับ <c oughs> ชามันตะมาจากเชธาบอกไปเลยบอกบอกธาตุเลยเชธา เชนในอันตอบวัเผาเชธาตัวนี้ชอเชอร์ออสเลเอชอ็ักเช <c oughs> อ, อร์ที่ไห น, น, หนไม่ใช่ เ, เอามันถาไงมันตาครับ ล, จจบลงมาปัจจัยเชลงมาปัจจัยโดยอัลเทย์อัลทยตเอเป็นอารับ<อ>ส่วนแปลว่าอยู่นั่มาจากอันตะปัจจัย มาจากเชทธาตครับตัวธาตุโอยเลยเวลาพักแล้วพักก่อนอยังไม่ได้แปลคาถาเลยคาถาข้อสองแปลได้แล้วใช่ไหม ข้อหนึ่งข้อหนึ่งแปลได้แล้วข้อสองข้อสองก็แปลไม่ยากภิกษุก็ภิกษุรูปใดมีบาทมีรอยปะหย่อนห้าขอซึ่งบาทใหม่ใบอื่นต้องนิสขิยปาจิติ แปลข้อสมทำมาทำทั้งหลายมโนปุพังเข้ามามีใจถึงก่อนมโนเศรษามีใจประเสริฐสุดสุดด้วยนะไม่ใช่ประเสริฐธรรมดานะนี่อติวิเศษเลยอ่มะมโนเศรฐามีใจประเสริฐสุดมโนมายาสําเร็จมาแต่ใจเจ หากว่าปุคโลบุคคลมณส า, ามีใจปทุทเถนะอันปทุทสายแล้วภาสติวาจะกล่าวก็ดีกโรติวาจะ ก, กะรทราก็ดีทุกขังทุกขังความทุกอะนุติย่อมไปตาม นางซึ่งบุคคลนั้นตะโตเพราะใจอันโทษบระทุสรายนั้นเพราะเหตุนั้นก็ได้เอาสั้นๆก็เพราะเหตุนั้นเฉยก็เพราะใจอันโทษประทุสร้ายนั้นจักกังวะเหมือนลอ้ออนุเวติโยกมาอีกนะอนุเวติย่อมไปตามประทังซึ่งซึ่งเทา้าซึ่งรอยเทา้า วหะโตควัต ส, สะของโคตัวลากไปอยู่ยุคขังซึ่งแอกใส่ขามา้เฉยนะยุคขังซึ่งแอกคาถาที่สองธรรมมาธรรมทั้งหลายมโนปุพังข้ามามีใจถึงก่อนมโนเศรษฐามีใจประเสริฐที่สุดมโนมะยาสำเร็จมาแต่ใจ เจหากว่าปุคโลบุคคลมณส า, ามีใจประสันเนนะอันเลื่อมใสแล้วอันผ่องใสแล้วภาสติวาจะกล่าวก็ดีกังโรติวาจะกระทาก็ดีสุขังความสุขอนตุติย่อมไปตามนั่ง ซึ่งบุคคลนั้นตะโตเพราะเหตุนั้นฉายาวะเหมือนเงาอนุปายินีอันติดตามไปทุกที่อันติดตามเขาไปแปลอย่างเงี้ยเวลาแปรสงสัยคำไหนไหมคำนี้ไม่เข้าใจคืออะไร ตรโตเพราะเหตุนั้นคาว่าเพราะเหตุนั้นก็คือเพราะเหตุแห่งบุคคลผู้มีใจอันปทุสร้แล้วนั่นแหละก็แปลสั้นว่าเพราะเหตุนั้นอ๋นออันนั้นขยายครับตอนแปลไม่ต้องมาโยกมาแล้วครับ ขยายเฉย่ยมถามว่าเจตาเปยยะธาตุอะไรดูนะเจตาเปยยะเห็นหมเจตาเปยยะข้อ2ข้อ2ที่ว่าขอบาทอะคำว่ขาขอเจตาเปยยะตัวนี้เนี่ยนะมาจากจิตธ า, าตุแล้วก็นาเปปัจจจิตตธาตุจิตาาต ในอัดว่าขอยาจะเนเนี่ยแหละแล้วก็นาเปปัจจัยพอลบนาแล้วก็วุธีอีเป็นเอลบนาแล้ววุธีอีเป็นเอจริงๆคําว่าเจตาเปยย่าในให้พ่านแปลว่าให้ขอนะให้ขอแต่เราไม่ต้องใช้ว่าให้ขอแล้วขอเลยไม่ใช่ตัดปัจจัยครับตัดปัจจัยไปอยู่หน้านาเปไม่ได้ครับ <c oughs> ผิดหลักเลยครับจิตตาแล้วอะไรอะไรนะครับจิตาจิตาธาเลยครับครับจิตตาาชะเนครับอัดวาขอจิตตบวกนาเปบวกเอยะสัตตมีเอยะสัตตมีวิพัฒเอยะเอยุงนั่นแหละคาว่าสัตตมีแล้วฟังให้ถูกนะ เอสัตตมีมันมีแต่สมิงสุทำไมมีเอยะเดี๋ยวสงสัยอีกนะคนละสัตตมีสัตตมีน้ำกับสัตตมีอาขยาตคนละตัวสงสัย ต, ตัวไหนอีกอนเวติเมื่อกี้รู้แล้วใช่ไหมอะไรอนเวติธาตุอะไร ธาตุอะไรอะนเวติเนะี่ยอีธาตุอืมอีธาตุแปลว่าไปอนุแปลว่าตามตามไปไปตามไม่มีธาตุเล่มเล็กไม่มีมมจิตตะยาจันเน ม, ม, ม, มีตะจีมีต่จินตะถ้ <c oughs> ทาที่รวมในเล่มเล็กนั่นอะรวม เ, เฉพาะธาตุที่มีใช้มาก ส่วนธาตุอื่นๆที่ยังไม่ได้รวมไว้ในนั้นมีมากกว่าอยู่ในเล่มนั้นอีกธาตุเยอะๆทั่วๆไปอ่ะอันน mm ั้นจินตเจตเนคนละตัวอคนละธาตุคนละตั ว, ต, วนะตัวเดียวกั น, นแต่คนละอัดคนละอัดคำว่าปทุเทนะประสันเนนะเนี่ยรู้ไหมมาจาก ปะบทหน้าทุษะธาตุตตะปัจจัยปะบทหน้าทุสะธาตุตะปัจจัยอาเทศสะที่สุดธาตุกับตะปัจใจเนี่ยเป็นตถปะปทุทเถ น, นะเนี่ยจากปทุสะตะปะบทหน้าทุษะทุสะาาสาสาธาตุเนี่ยอาจว่าอ ป, ปีติมเหเป็ว่ายินยินร้ายเป็ว่ายินร้ายไม่ใช่ยินดีอบวกตะ ตปัจจัยปทุสะตะสะกับตานะสะที่สุดธาตุกับตปัจจียเป็นตะถทะตาท ะ, ะปทุสะตาเลยเป็นปะทุทะปะทุทะนาเป็นเอนะก็เป็นปะทุเถนะส่วนประสันเนนะดูนะประสันเนนะกับปะบทหน้าเหมือนเดิมแต่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุที่เป็นทุสะแต่เป็นสะทะธาตุสะทะททหาร สะทัศในอัดว่าอัดสาทนแต่ถ้าปะบนหน้าเขาสะทัศปะสาทนในความใสในความใสตะปาใจัยปะปะทัะแล้วก็ตะปะบนหน้าสะไม่ใช่ทัศสะทัศสะทัศสะทัศทาอ่าซเสือทหารปะบวกสะทัศแล้วก็บวกตะปาใจัยมันเดิมตะตัวนี้ที่แปลว่าแล้วอ่ะ ใจเสียแล้วใจใสแล้วนะทีนี้มีการอาเทษฐานตจัจจเนี่ยเป็นอันนะตาเป็นอันนะล ะ, ละลบพยัญชนะที่สุดธาตเลยมีรูปเป็นปสันนะประสันนะนาเป็นเอนะเลยเป็นประสันเนนะตากับใจทได้เยอะหลายตัว คิดแล้วเนี่ยออกมาจากตาปัจจัยเพราะตาปัจจัยที่ลงตรงนี้เป็นอดีตการตาเป็นอดีตการยิ่งตาปัจจัยเนี่ยเป็นได้ทั้งสามการยังตะที่ลงหลังจากพุทธธาตุเป็นพุทธพุทโธอย่างเนี้ยนะตาตัวนั้นจะเป็นสามการในเวลาท่ามีเคราะห์ท่านบอกว่าอะพุชชิพุทชติพุทชิตสติติพุทโธอะพุชิตัดสรู้แล้วก็ชื่อว่าพระพุทธเจ้าพุทชติกําลังตรัดสรู้ก็พระพุทธเจ้า พุทธิสติจะตรัสรู้ในอนาคตก็พระพุทธเจ้าอีกดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยตปั จ, จัยแสดงอัดได้ทั้งสาการพระพุทธทานนี้แปลว่ารู้เฉยๆเนี่ยส่วนปัจจัยแสดงถึงการอดีตปัจจุบันอนาคตแต่ตปัจจัยที่ลงหลังจากทุศราาัทตากับสาัทธาธาตุาธาธนในปทุท ธ, ธาตและประสานนาเนี่ยเป็นอดีตการแปลว่าแล้ว อ่ลองแปลดูสิแปลคาถาเนี่ยมโนโปุพังอ่านคาถาก่อน อุโล e ัสาใจปสันเนะเื่อเสแล้วอะนุเอติอนุเอติ นงผกลางคนั้นักตเหมือนเาุมติตาไปเหมือนเงาติดตามไปเหมือนเงาที่ติดตามไปมีเงาไหม ถ้าไม่มีเงานี่เขาบอกว่าเป็นผีเลย <c oughs> จบตติยาจบมาแล้วตติยาวิพัตนสรุปตัติยาวิพัตนมีอัดทั้งหมดอยู่7อัดย้อนคืนไปดูหน้า21่ตติยาวิพัฒน์ที่จบไปนี้มีอัดทั้งหมดเจ็ดอัดคืออัดการกรณะกรณะคืออุปกรณ์กรณาแปลว่าเครื่องช่วยทำกิริยา เช่นทำงานด้วยมือดูรูปด้วยตาเป็นต้น 2. อ, อนัพพิตกัตตาอนัพพิตกัตตานี้ก็คือเป็นผู้ทากิริยาในประโยคกรรมให้แปลว่าอันแปลว่าอั น, อนเช่นธรรมะอันพระพุทธเจ้าแสดงแล้ว 3. อัดเหตุแปลว่าเพราะเลยแปลเพราะเหตุเช่นอยู่เพราะอะไรอยู่ได้เพราะข้าวอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ 4. ส, สหะธิโยคัถะสาะธิโยคะประกอบคู่กับสหศัพท์หรือสัททิงศัพ์แปลว่าพร้อมด้วยเช่นตัวอย่างว่าพระวาอา น, นิสีธิพระวาสัททิงพิกุสังเขณะพระภูมีพระภาคประทับนั่งพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ต้นห้าสัตตมายธะอัดสัตตมีวิพัตน์ก็คือแปลให้เป็นสัตตมีวิพัตน์เช่นเตนะสมเยนะในสมัยนั้น กาเลนะธรรมะสวนังการฟังธรรมในการอะไรอย่างเี้ยเป็นตัติยาแต่แปลเป็นสัตตมีหกวิเศสนะอวิเศสนะแปลว่าโดยแปลว่าตามแปลว่าข้างเช่นตัวอย่างว่าโคเตนะโคตรมนาโถพระผู้อ่พระผู้เจ้าพระนามว่าโคตมะหรือว่าโคดมเพราะโคดโดยโคตนะไม่ใช่พราโคดโดยโคตชื่อโคดมโดยโคตและ7อิทัมภูตักขานะ กล่าวตามความเป็นจริงแปลว่ามีเช่นสาพินเนนะสีเสนะนางทาสีนั้นมีศีษะแตกแล้วอย่างเนี้ยทั้งหมดนี้เป็นอัดของตัติยาวิพัฒน์ทั้งหมด7อัตอนนี้ได้ตัติยาแล้วเหลืออีกกี่วิพัฒน์นะเหลืออีกสเหลืออีกสวิพัฒน์ เราเรียนมานี่เกือบจะถึงเดือนแล้วมั้งเนี่ยนะสัปดาห์นี้ก็ครบเดือนแล้วเนี่ยวิชาแปลเนี่ยอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งจบพอดีละเกือบครึ่งแล้วล่ะเนี่ยอีกสองแผน่แผนครึ่งเนี่ยอีกสองแผ่นครึ่งนียก่อนขบันษาเนี่คงจบไม่ทันจบหลังขบันษาแล้วเดือนหนึ่งตรเนี่ยอ่ะสงสยัยถาม ถามได้ทุกทุกที่ที่ผ่านมาแล้วแต่ที่ยังไม่ถึงไม่ต้องสงสัยเพราะยังไม่ได้อธิบายทุติยภ พ, ยยพอัศตมีเหมือนกันใช่ใคือคําที่คําเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่แปลเป็นอัตตมีเราแปลเป็นอย่างอื่นมันแปลไม่ได้อ่าลองไปดูทุติยภพในอัศตมี ทุติยาใช่ไหมธุติยาวิพัฒน์ในอัศตมีดูหน้า18ทุติยาวิพัฒน์ก็มีอัศตมีอย่างเอกังสมายังเนี่ยเ น, ยเนยีเราแปลว่าซึ่งสู่ยังสิ้นตลอดกาจเฉพาะอย่างเนี้ยมันแปลไม่ได้อะเอกังสมายังสิ้นสมัยหนึ่งสู่สมัยหนึ่งซึ่งสมัยหนึ่งไม่ได้ เพราะมันไม่เข้ากับกริยานั้นต้องเอากริยามาเข้าเพืจะเป็น ร, รมนั่นเองังสมัยังก็ต้องแปลว่าในสมัยหนึ่งอย่างเดียวแต่ให้สังเกตนะบอกข้อสังเกตไว้หลายครั้งแล้วว่าถ้าสับใดบอกถึงสถานที่และการเวลานะบอกสถานที่และการเวลาอย่างสมยังอย่างเนี้ยสมยะ กาลเวลาพวกนี้มันเป็นการเวลาสถานที่เช่นเมืองประเทศแควน้นภูเขาแม่นม้ําอะไรทําไมดังจังมุมเนี้ยลอกก๊อปปี้กันเลยเลยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวฟังอัตมาไม่ทํา น, นะถ้าศับ ท, ที่บ่งบอกการเวลาและสถานที่บ่งบอกการเวลาและสถานที่และไม่มี กิริยาที่เป็นสักกรรมว่ากคือกิริยามันไม่มองหารรนะคำนะคําที่ลงทุติยาวิพัฒน์ที่สัพท์ที่การเวลาและสถานที่ให้เดาไปเลย น, ะนั่นนะเป็นสัตมีวิพัฒน์เป็นสัตมีวิพัฒน์เห็นทุติยาก็จริงแต่ว่าตัวกิริยาเนี่ยมันไม่มองหากรรมนั้นทูติยาตอนนั้นมันจะไม่เป็นคำรร อย่างเอกังสมัยังเนี่ยเอกังสมัยยังพระาวางราชทหางวิหารติพิชกุเตปรพระเตถ้าเราแปลเป็นทุติยาก็บอกว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาพิชกูดเขตกรุงราชคือสิ้นสมัยหนึ่ง <c oughs> สิ้นสมัยหนึ่งซึ่งสู่สมัยหนึ่งไม่ได้มันแปลเป็นทุติยาไม่ได้ <c oughs> เพราะคําว่าสมัยยามันบ่งบอกถึงการเวลาแม้จะลงทุติยาก็จริง ดังนั้นก็ให้แปลเป็นสัตตมีว่าในสมัยหนึ่งเพราะวิหารติเขาไม่มองหากรรมเลยเห็นไหมไม่มองหากรรมไม่มีกรรมของกิริยานั่นเอกังสมัยยังจริงมัลลงทศธิยาน่าจะเป็นกรรมแต่ท่านไม่มีกรรมก็ต้องแปลเป็นวิพัตอื่นที่ไม่ใช่กรรมดังนั้นสัพที่บอกบอกการเวลาก็ต้องแปลเป็นสัตตมีการเวลากับสถานที่ใช้ในอัตสัตตมีเป็นส่วนมาก เป็นสัมนวนถ้าเอกัตสมิงสมเยอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดแต่เอกังสมะยังจะเพราะกว่าเอกังสมะยังเอกัตสงสมเยพระขวาอย่างนี้ก็ได้แต่เอกังสมะยังเนี่ยเพราะกว่าเหมือนกับตัดสมิงสมเยจะมีผลสอไปถึงการไม่มีผลครับมันเป็นความไพเราะของภาษาจริงๆเรารู้ไวยากรณ์มาแล้วโอ๊ยอย่างนี้ดีกว่าเนี่ย เห็นพวกเข้าใจปุ๊บเลยไม่ต้องสงสัยใช่ไหมเพราะท่านเอกังสมยังสงสัยเอกังสมายังวิพัตน์อะไรจึงแปลวันในพราะไปบอกธุติยาอ้าวธุติยาทําไมแปลเป็นสตมีได้ก็สงสัยได้แต่ถ้าเป็นเราก็ไม่ต้องทําใช่ไหมเราก็เอกสมิงสมัเยเลยมันได้อะถูกต้องตาหลักภาษาแต่พอมาอ่านสัมพันอะไรก็ไม่รู้ภาษาฟังไม่ไพเราะเลยอะไรไมยได้ความหมายแต่ไม่เพราะดังนั้นท่านก็จะเน้นที่ความไพเราะของ เนื้อความด้วยของเสียงที่อ่านด้วยมันมีมีอยู่หลายวิพัฒน์นะที่ตัววิพัฒน์วิพัฒน์หนึ่งแต่แปลเป็นอีกวิพัฒน์หนึ่งเพราะว่าเนื้อความของสัพทนะ์มันบังคับแต่ถ้าไปลงวิพัฒน์นั้นเลยมาใส่เนะี่ยมันไม่เพาะก็ต้องเอาวิพัฒน์ที่มันมีความไพเราะมาใส่แต่มาได้ความหมายเหมือนอย่างนั้นวันนั้นอาจารย์บอกว่าคุณิโซ่เนี่ยมาจากพุทธทาสแล้ว อิสระปัจจัยเท่านี้ทไมเหรอก็วันนี้อาจารย์ก็ดขึ้นกยปุรไม่รู้ว่ามาจากอะไรเป็นปุรอะไรเียอ้าวแล้วกันอาจารย์ปดปุรวปุรเรา่รู้แต่ว่าเป็นบุรุษูาอะไรจงตอมนกแต่ว่า ฝากมาบ่อยเดี๋ยวยีนอยท่านมาให้ ด, ฝหดูฝากมาคำไหนไปตอบได้ฝากมาคำไหนตอบได้น่าสนใจ